จเจริญพรโยมวันนี้เยอะขึ้นทุกทีเป็นนิมิตใหม่ที่ดีมากนะที่พวกเราชาวพุทธสนใจศึกษาปฏิบัติมากขึ้นมากขึ้นเมื่อยี่สิบสามสิปีก่อนนะหาคนภาวนาไม่มากมียากยากหายากเข้าไปกราบครูบาอาจารย์นะบางทีทั้งวันไม่ค่อยมีใครถามกรรมาฐาน เวลาหลวงพ่อไปหาท่านนะท่านก็สอนเหมือนที่หลวงพ่อมาสอนพวกเราวันนี้บางทีเรายังไม่ทันถามนะท่านก็ตอบให้เป็นอย่างนี้ท่านสอนกรรมฐานนะท่านสอนด้วยใจหวังเกื้อกูลประโยชน์ให้กับเราอย่างแท้จริงเลยไม่มีวางฟอร์มนะไม่มีต้องอาราธนาก่อนถึงจะสอนเลยนะไม่มีเลยบางทีไปกราบเง่ยหน้าขึ้นมาก็ด่าเลย บางองค์นะจวกเลยเราภาวนาไปผิดผิดนะนี่พอมาวันนี้ญาติโยมเยอะขึ้นนะหลว ง, งพ่อสอนเหมือนที่ครูบาอาจารย์สอนหลวงพ่อมามเลยดูปเป็นเรื่องประหลาดไปแล้วทำไมเราไม่ขึ้นธรรมะเทศเทศไปเอวังก็มีด้วยประกาศรชาชดีเลยจบครูบาอาจารย์ที่ท่านสอนกรรมฐานจริงๆท่านก็สอนด้วยใจมุ่งประโยชน์ ของเราโดยตรงเลยไม่มีอ้อมค้อมที่หลวงพ่อสอนทุกวันนี้วิธีที่ใชเ้เป็นวิธีธรรมดามากเลยที่ครูบาอาจารย์ท่านใช้มาก่อนแต่ก่อนนี่ยหลวงพ่อก็วิ่งเข้าหาครูบาอาจารย์เหมือนกันทุกๆเดือนเนี่ยต้องไปกราบหลวงพ่อพุธครั้งหนึ่งท่านใกล้ท่านอยู่โคราชไปกราบหลวงพ่อพุธแต่ละเดือนต้องไปครั้งหนึ่งเป็นข้าราชการ วันลาไม่ค่อยมีหลวงพ่อพุดเนี่ยไปวันเสาร์วันอาทิตย์ได้แลไปวันเดียวกลับได้แล้วก็เก็บวันลาไว้นะสามเดือนสี่เดือนเนี่ยไปหาครูบาอาจารย์ที่อยู่ไกลๆหาหลวงปู่ ด, ดูลหลวงปู่เทศหลวงปู่สิมอาจารย์มหาบัวอะไรเนี่ยที่อยู่ไกลสมัยก่อนไปก็ไปก็เจอส่วนมากนะตอนหลังๆ คนสนใจมากขึ้นมากขึ้นอนะนิมน์ท่านไปโน่นไปนี่บางทีไปก็ไม่เจอเหมือนกันด้หนเาเฉาไปเลย <c oughs> เคยนะไปหาหลวงปู่สิมทิ้งนั่งรถไปทั้งคืนเลยต่อรถสองแถวไปอีกเดินเข้าไปอีกนะกว่าจะถึงวัดเนะี่ยบ่ายๆแล้วพอถึงขึ้นไปถึงภูเขายอดเขาถ้ำผาปล้องพระบอกหลวงปู่ไปกรุงเทพ <c oughs> โถเรามาจากกรุงเทพเนี่ยมาหาหลวงปู่นะ เดี๋ยวพระก็ให้กำลังใจนะเดี๋ยวนึงมีคนขีม่มอเตอร์ไซค์มามก็วิ่งขึ้นเขามาบอกหลวงปู่จะกลับแล้วหลวงปู่จะกลับมานะพระก็ตื่นเต้นนะคว้าแคล่สมัยแรกๆแคล่ท่านทำด้วยไม้หน้าสามนะทำคล้ายๆคันหามเสลียงนะโอ้โหพระแปดองค์นะข้างละสองสองนสี่สี่มีไม้สี่อัน วิ่งลงจากเขานะพระไม่เดินเลยพระ ว, วิ่งกลัวหลวงปู่จะมาเร็วเราก็วิ่งตามพระลงมา <laughs> พอลงมาถึงข้างล่างนะเดี๋ยวมีคนขีม่มอเตอร์ไซค์ไปอีกตอนนั้นไม่มีโทรศัพท์เนะต้องมีโทรศัพท์เฉพาะฟิกไลน์เข้าตำบ้านคนก็โทรมาอีกบอกหลวงปู่รับนิมนต์ต่อไปที่อื่นแล้ว <laughs> ลงมาถึงข้างล่างนะวิ่งลงมาข้างล่าง พระก็หันมามองหน้าเราโยมช่วยหามแคล่ขึ้นไปด้วยเราสองคนนะหามแคล่โอ้โหทุลักทุเลนะกว่าจะขึ้นไปถึงนั้สองสมเก้าวางทีสองสามเก้าวางทีเดินขึ้นไปตัวเปล่าๆยังขึ้นยังไม่ไหวเลยท่านหามกันทีทั้งหลายองค์เสร็จแล้วท่านทุบๆหายไปเลยโห้ลำบากนะสมัยก่อนจะไปหาครูบาอาจารย์ อย่างดีว่าช่วงแรกๆที่เที่ยวศึกษาธรรมะเนี่ยไปก็เจอแต่ความจริงหลวงพ่อไปกราบท่านนีไปส่งกันบ้านเนี่ยไม่ได้เป็นเรื่องลึกลับอะไรหรอกส่วนมากไม่ได้ไปถามปัญหาเลยจะไปถามว่าที่ท่านเคยสอนอย่างนี้ผมทํามาอย่างนี้มีผลอย่างนี้ถูกหรือผิดนะถ้าถูกถ้าผิดให้ท่านช่วยบอกหน่อยถ้าถูกจะแก้ยังไงถ้าถามอย่างเนี้ท่านจะบอกว่าถูกแล้วไปทําต่อตลอดชีวิตนะที่เรียนกับครูบาอาจารย์มาเนี่ย เคยต้องให้ครูบาอาจารย์แก้กรรมฐานให้เจ็ดครั้งอาจารย์ที่แก้กรรมฐานให้ทั้งเจดครั้งเนี่ยรวมแล้วหององแรกเลยคือหลวงปูด่ดูลพวกเราเรียนหลักของการปฏิบัติมามากแล้วที่หลวงพ่อสอนนครั้งที่สามสิบที่นี่นะที่อื่นเนี่ยนับไม่ท่วนละพวกเราเรียนแล้วเรียนอีกหลวงพ่อจะลองเล่าว่าที่ครูบาอาจารย์สอนหลวงพ่อที่หลวงพ่อทำผิด แต่ก่อนจะบอกว่าอาจารย์สอนว่าไงหลวงพ่อจะถามพวกเราดูก่อนว่าที่หลวงพ่อทำเนะี่ยผิดยังไงเรินะ่มต้นเลยนะเมนะื่อปีสองห้าสองพันห้ารอยี่สิบห้าขึ้นไปกราบหลวงปู่ดูลีแรกท่านบอกให้ดูจิตตัวเองเรากลับมาบ้านนะเราก็มาดูเห็นมันเป็นก้อนขึ้นมานะเป็นก้อนก้อนทำไมถึงเป็นก้อนพอเพ่ง นะอยากดูอยากปฏิบัตินี่ต้องอย่างนี้นะตอบได้แล้วอย่ามาถามหลวงพ่ออีกนะเป็น <laughs> ก, ก้อนขึ้นมานะหาทางทําลายมันนะทําไงก้อนนี้จะแตกนะเพ่งเพ่งเ พ, งเพ่งระเบิดเปลี้ยงโอ้วันนี้เราภาวนาดีเพ่งมันแตกอีกวันหนึ่งมันโปร์มานะเพ่งยังไงก็ไม่แตกตอนนี้นะบางทีก็เพ่งไม่แตกทําไงดีนะทุบมันของทุบมันทุบทุ บ, ทบแตกโป้งเลยโโลงนะ่งเลยก้อนนี้แตก อีกวันหนึ่งเพ่งก็ไม่แตกทุบก็ไม่แตกฉืนมันฉืนมันเฉืนเฉือนเฉอ น, อนให้มันเล็กลงเรื่อยๆนะก้อนเล็กลงเรื่อยๆนิดนึงมองปั๊บขาดไปเลยโอ้วันนี้ภาวนาดีเนะนี่ยซัดอยู่เองเนี่ยสมเดือนก้อนนี้ค่อยหายไปนะคราวนี้นะกูศลไม่เกิดทํายังไงจะเกิดนะอกูศลทํายังไงจะไม่เกิดนะภาวนาเนี่ยนะคอยระวังรักษาจิตคอยหวงแหนจิตมากเลยสมเดือนเราขึ้นไปส่งกันบ้าน หลวงปูดด่โดนบอกว่าผิดผิดตรงไหนไป่ทำนะไปแทรกแซงจิตใช่ไหมเราไม่ได้ดูจิตหรอกท่านก็บอกเลยว่าไม่ได้ดูจิตหรอกแต่ไปแทรกแซงไปวุ่นวายอยู่กับอาการของจิตเพราะงั้นถ้าพวกเราภาวนาเกิด อ, อาการแปลกๆของจิตขึ้นมาแล้วเราแทรกแซงก็ผิดนะนะท่านบอกไปดูใหม่ไอ้ที่ดูอยู่นั้นนะไม่ได้ดูจิตหรอกแต่ไปยุ่งไปแทรกแซงกับอาการของจิตนะ เห็นไหมอีกข้อหนึ่งนะอันแรกเลยเห็นไหมจงใจปฏิบัติก็ผิดนะเปแทรกแซงอาการของจิตก็ผิดให้รู้ตามความเป็นจริงถ้าหากถึงจะถูกนี่เรียนอย่างหลวงปู่ดูลนะเรียนครั้งที่หนึ่งเนี่ยที่ท่านแก้ให้เราภาวนาผิดตอนนั้นไปเรียนใหม่ๆนะยังภาวนามไม่เป็นหรอกก็เหมือนพวกเราเนี่แหละถ้าไม่เพ่งเอาก็เผลอไปเลยนะแล้วก็พยายามเข้าไปแทรกแซงงั้นเพ่งเอาก็ใช้ไม่ได้นะ เหลือไปฟุ้งซ่านใจลอยไ ป, ไปก็ใช้ไม่ได้เข้าไปแทรกแซงก็ใช้ไม่ได้นี่ภาวนาต่อมาอีกเห็นกิเลสเราค่อยๆสังเกตนะกิเลส ท, ที่หยาบเนี่ยเกิดจากกิเลส ท, ที่ละเอียดก่อนที่กิเลสจะตัวใหญ่เนี่ยกิเลสตัวเล็กมาก่อนนะก่อนที่จะโมโหแรงๆเนี่ยต้องขัดใจเล็กๆก่อนนะนี่พอเราเห็นกิเลสละเอียดขึ้นใช่ไห ม, มเราค่อยเฝ้าดูเลยนะกิเลสมันโผล่จากไหนมันโผล่ขึ้นมาจากกลางหน้าอก ใครเคยเห็นไหมเวลามันผุดนะมันผุดขึ้นจากกลางอกนี่เองในตำราเขาเรียกหาทายรูปแต่ในตำราบอกว่าอยู่ในหัวใจไม่มีนักปฏิบัติคนไหนหรอกจะเห็นสภาวะผุดขึ้นจากหัวใจไปตำราไปแปลหาทายรูปไปแปลหาทายะว่าหัวใจเขเลยนึกว่ามันอยู่ที่หัวใจจริงๆคําว่าใจตัวเนี้หลวงปู่เทศท่านบอกว่าคือคําว่ากลางผุดขึ้นมาจากกลางๆนี่แหละในใจโบราณแปลว่ากลางนะ เราเห็นสภาวะมันผุดขึ้นตรงนี้นะเราไปสนใจเราเคยดูพอดูนะเราเห็นมันผุดขึ้นมาเรารู้ว่ามันกหหน็หดเนอหดก็เข้าไปาไข้างในนะคราวนี้เราตามลึกเข้าข้างในเลยดูซิต้นต่อของกิเลสจะมาจากไหนส่งจิตลึกๆเข้าไปเรื่อยๆพอใจเราเลือกๆ ล, ลงไปเรื่อยนะโอ้โหละเอียดยิบๆอยู่ข้างในเลพอดีได้เวลาขึ้นไปกราบหลวงปู่สิมไม่ทันถามเลยเจอหน้าหลวงปู่สิมนะหนลวงปู่สิมฝั ก, กมือ ผู้รู้ผู้รู้ออกมาอยู่นอ ก, น, อกนี่อา้าวยังไม่ทันถามไปเฉลยซะก่อนละนะมันผิดตรงไหนผิดตรงเราส่งใจเข้าไปดูเห็นไหมแทนที่เราจะดูด้วยจิตที่ตั้งมั่นและเป็นกลางเราถล่มลงไปดูนี่ถล่มเข้าไปข้างในนะลงไปเฉลืกเลยทําจิตถล่มไปดูในจิตไม่ตั้งมั่นในการรู้ในการดูนะถ้าสํานวนครูบาอาจารย์วัดป่าเรียกว่าไม่มีจิตผู้รู้ มีแต่จิตผู้หลงผู้เพง่งลึกๆๆ ล, ล, ล, ลงไปนะหลวงปู่สิมท่านบอกผู้รู้ผู้รู้ออกมาอยู่ข้างนอกนี่นะนี่ได้จากหลวงปู่สิมอีกทีหนึ่งนี่ภาวนามานะถึงปี26ก่อนจะเข้าพรรษาสักเดือนหนึ่งภาวนามาเนะี่ยตอนนั้นภาวนาแล้วเกิดอาการแปลกๆภาวนาแล้วหลับตลอดเวลาเลยตั้งแต่เด็กๆนะเขวบภาวนามาเนะี่ยไม่มีนั่งหลับหรอก รู้ตัวตลอดเลยฝึกสติตลอดเลยไม่ให้ขาดสติตอนนั้นไม่รู้เป็นอะไรมันหลับเอาหลับเอานะนั่งสมาธิก็หลับในนั่งขาดสมาธิเพชรขาดสมาธิเพชรน่าเจ็บแสนเจ็บนะก็ยังหลับอีกไปเดินจงกรมก็เดินหลับนะหัวโขกฝาเลยเดินเดินไปเตะโน่นเตะนี่นะทำไงก็หลับแล้วหลับแบบไม่มีศิลปะเลยอย่างนั่งสมาธินั้นหลับไปนะพอรู้สึกตัวนขาไปอยู่ทางโน้นตัวไปอยู่ทางนี้นะเอียงไปเอียงมา โอ้ไม่มีสภาพของนักปฏิบัติเหลือเลยขาดสติอย่างร้ายแรงเลยนะเกิดจากอะไรยากมากนะอันเนี้ยยากนะเกิดจากอะไรหลวงพ่อก็ไม่รู้เหมือนกันนะเลยขึ้นไปหาหลวงปู่สิมนะตอนนั้นไปหาหลวงปู่สิมอยู่เรื่อยๆไปถามหลวงปู่สิมหลวงปู่ครับผมภาวนานะก็มีสติมาตลอดเลยตั้งแต่เด็กๆไม่ให้ขาดสติ ช่วงนี้มันเป็นไรนะขนาดนั่งขัดสมาธิขนาดเดินจงกรมมันยังหลักเลยตับได้ไหมหลวงปู่บอกว่าผู้รู้ผู้รู้อย่าสงสัยเลยถ้าไม่รู้จักชื่อหลวงพ่อนะถ้าเรียกหลวงพ่อว่าผู้รู้รู้อะไรก็ไม่รู้แหละนัะ้นเองผู้รู้ผู้รู้อย่าสงสัยเลยแล้วจะได้ของดีในพรรษา น, นี้แหละท่านบอกอย่างนี้ครูบาอาจารย์ห้ามสงสัยเราก็เลยไม่สงสัยแล้วพวกเรารู้ไหมมันคืออะไร ก็ตอนนั้นหลวงพ่อยังไม่รู้เลยตอนนี้เราก็ไม่ต้องรู้หรอกที่ <c oughs> จริงไม่มีอะไรคือเราพอเราเจริญสติเจริญปัญญาไปมากนะจิตมันเบื่อหนายมันเบื่อโลกเบื่อขันเบื่อธาตุอย่างร้ายแรงเลยเบื่ออายตนะขันธาตุอายตนะเบื่อมากเลยพอมันเบื่อเนะีมันตัดการรับรู้ภายนอกไปหมดความรู้สึกไปเลยตัดลงไปแต่ว่าพอจิตมันได้พักผ่อนพอสมควรนะ มันไปพักล้ตัดลงไปรวมลงไปเพราะว่าหลวงพ่อตอนที่ภาวนาเนี่ยตั้งแต่เด็กมาทําแต่สมาธิจนมาเจอหลวงปู่ดูลมาหัดทำวิปัสสนาเนี่ยแล้วเบื่อสมาธิทิ้งสมถะไปไม่ถูกนะการทิ้งสมถะเนี่ยไม่ถูกต้องเลยเพราะจิตมันไม่ได้เข้าไปพักในสมาธิจิตมันก็หลบไปเลยดับไปเฉยๆเนละเข้าไปพักผ่อนพอมันพักผ่อนมีแรงมันถอนออกมาวันที่หสิงหาเนี่ย ปีสองหกไปกราบหลวงปู่สิมนะท่านบอกจะได้ของดีพันษานี้แหละวันที่หกยังไปเที่ยวอยู่ในเชียงใหม่ยนะไหนไหนไปทั้งทีละพะวันที่เจ็ดนะขึ้นรถตัวกลับมาขึ้นรถตัวตอนเช้านะเย็นๆแล้วสี่โมงเย็นก็ามาถึงกรุงเทพจิตมันก็ถอนออกมาหมดเลยนะจิตใจเราก็เปลี่ยนไปหมดเลยนะภาวนาสบายต่อไปนี้สบายละกิเลสไหวแวบสติรู้ทันไหวแวบสติรู้ทั น, ส ต, ทนสติมันทันกิเลสไปเรื่อย ภาวนา ง, ง่ายๆตอนนี้ง่ายนี่ภาวนามาถึงจุดนี้เนี่ยเราจะดูตรงไหนนะมันชำนาญไปหมดมันดู ด, ดูตัวจิตผู้รู้ก็ได้ดูที่ในหน้าอกเนี่ยสภาวะที่เกิดดับอยู่ในหน้าอกก็ได้เนี่ยจะดูตัวไหนดีเนี่ยชักสงสัยแล้วว่าจะดูตัวไหนดีนะตอนนั้นไม่รู้นะว่าจะดูตัวไหนดูทั้งสองตัวดูกลับไปกลับมาังตรงไหนแน่วะวันนึงเอาใหม่ ไม่เอามันทั้งสองตัวเลยดูซิจะเกิดอะไรขึ้ น, นเวลาเรารู้ลงไปในสภาวะในสิ่งที่ถูกรู้จิตมันเคลื่อนเข้าไปที่สภาวะที่ถูกรู้มันเคลื่อนไปนะพอมันจะแตะสมมติว่าสภาวะที่ถูกรู้เนี่ยเหมือนนาฬิกาเนี่ยมันเคลื่อนจะแตะนะเราไม่ให้แตะนะเราถอยขึ้นมาถอยขึ้นมาทวนกระแสะเข้ามาหาตัวรู้พอจะมาแตะตัวรู้เราก็ไม่เอานะเราออกไปอีกไล่เข้าไล่ออกนะเสร็จแล้วมันรวมตรงกลาง ไม่ใช่ทั้งวัตถุไม่ใช่ทั้งจิตไม่ใช่ทั้งรูปไม่ใช่ทั้งอรูปรวมลงตรงกลางนะโลกธาตุดับไปหายไปหมดถอยออกมานะโอ้สภาวะอะไรมีความสุขอย่างแต่คงไม่ใช่นิพพานหรอกใจคิดอย่างนี้นะคิดว่าคงไม่ใช่อะ่ะได้เวลาขึ้นไปกราบหลวงปู่เทศหลวงปู่ผมทําอย่างนี้มันเป็นอะไรนะท่านบอกมันเป็นสมาธิเป็นสมาธิชนิดหนึ่งไม่เพ่งรูปไม่เพ่งอรูป ท่านบอกว่าไปไปฝึกไว้ไปซ้อมไว้ในยุคนี้สมัยนี้ไม่มีใครเขาเล่นกันละไปซ้อมให้ชนานาญก็ไปบอกหลวงปู่บอกหลวงปู่ถ้าผมทําแล้วผมติดผมจะทํำยังไงอ่ะบอกถ้าคุณติดอาตมาจะแก้ให้นะท่านคึกคักมากเลยนะให้เราเล่นสมาธิคนนีนะ้เราก็เล่นใหญ่เลยสนุกเลยทุกวันเล่นทุกวันนะชำนี้ชนานาญปุ๊บโลกโลกดับไปเลยนะสบายเหลือแต่ธาตุรู้สบายอยู่นั้น ตอามาไปสัมมนาที่เชียงใหม่เนี่ยเราเล่นอยู่ตรงนี้แล้วพอดีไปเชียงใหม่กลางคืนไปวัดสันติธรรมจะไปเยี่ยมอาจารย์ทองอินนะไปเจอพระองค์หนึ่งมาดักอยู่หน้าวัดพระหนุ่มๆเนมนะ่มาบอกว่าวันนี้ท่านอาจารย์บุญจันทร์จากท่ามผาพึ่งนะมาพักอยู่ที่วัดวัดสันติธรรมเนี่ยให้ไปหาท่านหน่อยสิบอกไม่ไปหรอกไม่รู้จักไปหาพระมันเสี่ยงนะบางองค์เราดูดูนะ อ๋อไม่ใช่ทะเลาะทะล่าเข้าไปแล้วกลางค่ํากลางคืนด้วยเราไม่รู้จักท่านนะดีไม่ดีท่านจะเอาอะไรโขบกับเราทะเลาะทะล่าเข้าไปเราไม่เอาไม่ไปเข้าไปคุยกับอาจารย์ทองอินอยู่สักชั่วโมงออกมานะมืดตึ๊ดตึต๊เลยหนาวเยียบเลยตอนนั้นพระนี้ยังเฝ้าอยู่บอกไปไปหาท่านอาจารย์บุญจันทร์หน่อยหนะ่าเราเกรงใจท่านนะโอ้มายืนเฝ้าเป็นชั่วโมงขึ้นไปหาอาจารย์บุญจนันทร์ะพอขึ้นไปถึงนะ ท่านไม่สบายนะท่านนอนอยู่บนตังค์ไม่อยู่ในห้องอยู่บนตังค์ที่ระเบียงนอนกลุ่มโป่งพอเราขึ้นกระดปุ๊บลุกขึ้นมานะเอาหน้าเปลวออกมาจาักผ้าชีหน้าเลยไงภ า, าวนาไงาอ๊ยเราตกใจโอ้โหนี้ดุสมกับที่คิดไว้เลย <c oughs> ไม่ได้ถามอะไรเลยนะไม่ได้ถามเลยไงภ า, าวนาไงาบอกท่านนะผมไม่เพ่งอารมณ์นะไม่เพ่งจิตนะ อยู่ตรงกลางกลางสบายโดนท่านตะคอกเอาเฮ้ย hey, นิพพานอะไรมีเข้ามีออกนิพพานอะไรมีเข้ามีออกไงจะภาวนาไงาเราก็นึกว่าท่านฝังเราไม่รู้เรื่องเพราะสำเนียงเนี่ยไม่เหมือนกันเราเล่าให้ท่านฟังซ้ำนะท่านตะหวาดซ้ําเลยตอนนี้ตะหวาดดังกว่าเกอยเฮ้ย hey, นิพพานอะไรมีเข้ามีออกใจเราโล่งเลยโอ้ oh, ตรงนี้ไม่ใช่ทางและนะตรงนี้ไม่ใช่ทาง ดูสิฉเฉลยไปอีกแล้วเห็นไหมเราไปทําอะไรที่ผิดนึกออกไหมเราไปปรุงแต่งการปฏิบัติขึ้นมาเราคิดว่าทํำยังไงเราจะดีเราไม่ได้รู้ก่รู้ใจซื่อๆไปเราคิดว่าทํำยังไงจะดีเอาตรงนี้เรยวะอยู่ตรงน้นดีอยู่ตรงนี้ดีหรืออยู่กลางๆดีหาให้ตรงที่ดีไม่ต้องหานะว่าตรงไหนถูกไม่ต้องหาว่าตรงไหนดีสภาวะอะไรเกิดขึ้นในปัจจุบันรู้อันนั้นแหละแล้วนะไม่ผิด นี่ว่าจะมาถามโยมนะเฉลยหมดทุกทีเลยนะพอท่านบอกเสร็จนะเราโล่งเลยลงพอล่งท่านก็หัวเราะหัวเราะเสียงดังเลยหลอกเราอีกละเราก็ปรื้มหัวเราะตามท่านท่านหยุดกึกเลยมองหน้าพอท่านหยุดเราก็หยุดบ้างนะจิตเราไหวนะท่านบอกเออใช้ได้ใช้ได้ ไ, ดไปไม่ได้บอกชื่อท่านหลวงพ่อชื่ออะไรไม่เคยบอกนะท่านอยู่ๆท่านก็เรียกมา ตอลงมาจากกุฏิท่านพระาองค์นั้นตามมาส่งหน้าวัดมันมืดมากเลยเปดี๋ยวครับท่านบอกเลยบอกว่าท่านอาจารย์เนี่ยสั่งไว้ตั้งแต่เย็นแล้วว่าวันนี้เอาตัวมาให้ได้นะอวันนี้เอาตัวมาให้ได้นะเราโอโ้ท่านรู้เรื่องหน้าตั้งหลายชั่วโมงเนลยแล้วมาอัศจรรย์ใจกับท่านอีกทีปีสี่หกตอนนั้นบวชละกลางพรรษาที่สามเนี่ยอยู่เมืองการลูกศิษย์ท่านมาหาเยอะเลยตอนนั้นบอกว่าท่านอาจารย์บุญจันทร์สั่งให้มาหา ให้วันนี้เดือนนี้ปีนี้ให้มหาพระชื่อนี้ชื่อนี้อยู่ตรงนี้ตรงนี้ถ้าสั่งละเอียดเลยนะนเราไม่เคยบอกท่านเลยว่าเราตอนนั้นตอนที่ท่านปรนนภาพเรายังไม่ได้บวชเลยดูท่านอุตส่าห์แก้ให้เราท่านกลัวเราจะไปติดสร้างสภาวะโล่งโล่งว่างๆแล้วเราก็ไปจับเอาไว้แต่นี้โล่งว่างกับคนละอย่างกับที่พวกเราหลังๆนี่มาติดนะอันนั้นไหลออกไปข้างนอกอันนี้ไม่มีข้างนอกข้างในโอ้ดูปรนนี้ดูลึกซึ้งกว่ากันเยอะเลยนะ นี่พาภาวนาต่อมาอีกนะภาวนาไปเห็นสภาวะทั้งหลายมันละเอียดเข้าละเอียดเข้านะสบายใจมันโล่งมันว่างเราก็ดูจิตอยู่ทุกวี่ทุกวันนะแต่ดูมาตั้งหลายปีไม่ผ่านสักทีวันหนึ่งงได้โอกาสไปกราบอาจารย์มหาบัวที่ป่าบ้านตากตอนนั้นท่านยังเทศอยู่ข้างบนคนน้อยไม่มากหรอกเดี๋ยวนี้คนเยอะเข้าไม่ถึงท่านล ะ, ะขึ้นไปถึงบอกท่านอาจารย์ผมขอโอกาส ท่านบอกเดี๋ยวเด๋ยวเรายังไม่ว่างยังไม่ว่างท่านก็เออว่าว่าวสั่งเรื่องน้อนเรื่องนี้ตามสไตล์ท่านพอท่านว่างแล้วท่านหันมาว่ายังไงเนี่ยใครๆก็กลัวท่านเราไม่กลัวหรอกเราจะเอาธรรมะถูกด่าก็ไม่กลัวนะบอกท่านอาจารย์ผมดูจิตอยู่นะดูอยู่เนี่ยครูบาอาจารย์บอกไม่มีวิธีปฏิบัติที่ยิ่งกว่านี้แล้ว เพราะกิเลสก็เกิดที่จิตนะกุศลเกิดที่จิตมรรคผลนิพพานเกิดที่จิตภาวนาเข้ามาถึงจิตถึงใจแล้วไม่มีอะไรยิ่งกว่านี้แล้วเหมือนผลไม้ที่รอเวลาสุกงอมแต่ผมสงสัยว่าทําไมมันไม่สุกงอมสัทีนะตรงนี้ผิดอะไรผิดตรงไหนรู้ไหมมีกิเลสอะไรเกิดขึ้นรู้ไหมมีกุกกุจักกุกกุจะร้อนใจเมื่อไหร่จะได้สัทีวะมีวะด้วยนะจะได้ดูว่าร้อนมากมาะ จิเลสเกิดเราไม่เห็นนะ่ะเสร็จแล้วท่านสอนเราบอกว่าที่ว่าดูจิตนั้นดูไม่ถึงจิตแล้วต้องเชื่อเรานะตรงนี้สำคัญนะเราผ่านมาด้วยตัวเราเองอะไรๆก็สู้บริกรรมไม่ได้ล้วก็กราบท่านนะได้ได้ไอเดียแล้วเดี๋ยวมาพิจารณาดูทำไมท่านหด้บริกรรมทำไมท่านว่าเราดูจิตเราไม่ถึงจิตนะมาดูไปดูมาใจเราไม่ตั้งมัน่นใจเราเคลื่อนออกไปข้างนอกนะมันไปอยู่ในความโล่งความว่าง งั้นพวกเรารุ่นหลังๆที่ไปดูจิตเนี่ยไปติดหยุดที่ตัวนี้เยอะแยะเลยเพราะว่าเวลาดูไปดูไปเราเห็นสภาวะที่เกิดดับเกิดดับนะเช่นเห็นกิเลสเกิดกิเลสดับกิเลสจะหนีออกไปหนีออกไปไม่เหมือนกับตอนที่ไปถามหลวงปู่สิมตอนนั้นกิเลสหนีเข้าข้างในไอ้นี่กิเลสหนีออกข้างนอกรวนะมความก็คือจิตไม่ตั้งมั่นเหมือนกันจิตฟุ้งเข้าไปข้างในจิตฟุ้งออกไปข้างนอกจิตไม่ตั้งมั่นนะจิตไม่ตั้งมั่นแล้วจิตไปหลงในความโล่งความว่าง ความสุขความสบายตรงนี้แหละคือวิปัสสนูชนิดหนึ่งนะชื่อว่าโอภาษวิปัสสนูนี่เกิดในทุกขั้นตอนของการปฏิบัตินะขั้นโสดาสกตาคาอนาคาพระอราหันต์เพียงแต่ว่าขั้นที่เลยพระโสดาเขาไม่เรียกว่าวิปัสสนูเขาเรียกชื่อเป็นอย่างอื่นให้โก้กว่านี้หลวงพ่อก็จําชื่อไม่ได้แล้วเรียกอะไรก็ไม่รนะู้แต่ว่าขั้นต้นเนี่ยปุถุชนอนี้จะมีวิปัสสนูทำทำมุททัตจัก ใช้เปล่าไม่รู้จำไม่ได้ภาษาแขก <c oughs> เสร็จแล้วพอมาสังเกตนะใจไปอยู่ข้างนอกใจไม่ตั้งมัน่นที่หลวงพ่อบอกพวกเราวันนี้ว่าจิตไม่ถึงฐานจิตไม่ถึงฐานพระนนท์สอนตัวนี้ไว้พระนนท์เนี่ยสอนธรรมะอยู่บทหนึ่งนะน่าฟังมากเลยในยุคครณะทัศสูตรพระนนท์ท่านสอนบอกว่า สารุสิทธิ์ท่านในสำนักท่านเนี่ยที่พยากรณ์มรรคผลเนี่ยมี4ี่จำพวกนะพวกที่1ใช้สมาธินําปัญญาสมาธินําปัญญาคือทําสมาธิก่อนนะออกจากสมาธิแล้วมาเจริญสติในชีวิตประจําวันนี่สมาธินําปัญญาพวกที่สองใช้ปัญญานําสมาธิคือเจริญสติในชีวิตประจําวันนี่แหละแล้วจิตรวมเข้าสมาธิพวกที่สมใช้สมาธิและปัญญาควบกันพวกนี้ทําสมาธิอยู่ในฌานไม่ใช่อย่างที่ครูบาอาจารย์วัดป่าทํานะ ส่วนมากนั่นท่านทําความสงบก่อนแล้วถอนออกมาแล้วมาเจริญสติในชีวิตประจำวันนี่คือแบบที่1 น, นะแบบที่สนี่มีเหมือนกันแต่มีน้อยอันนี้ต้องชํานาญในฌานจริงๆจะเห็นองค์ฌานเกิดระดับองค์ฌานเกิดระดับนะจะดูยากต้องชํานาญทั้งฌานต้องชํานาญทั้งการดูจิตนะถึงจะดูได้ประเภทที่4ีนะ่พระนรนบอกว่าจิตมีความฟุ้งซ่านในธรรมะนะไปอยู่ในธรรมะสิประการมีโอภาษั่ คือความสว่างเนี่ยเป็นต้น10ประการเช่นโอภาษแสงสว่างยานะความอย่างรู้ปีติปัสสัตทินะความสุขเนี่ยอุเบกขาอะไรพวกนี้นะมีหลายตัวรวมแล้วสิบตัวจิตมันส่งออกนอกจิตมันฟุ้งซ่านไปหลงอยู่ในธรรมะ10ประการนี้มีโอภาคือความสว่างความว่างๆโล่งๆเนี่ ย, ยเป็นหมายเลขหนึ่งถ้าเมื่อไรรู้ทัน อุทัด จ, จะคือความฟุง้งซ่านของจิตที่ไหลออกไปเนี่ยอุทัด จ, จะดับนะก็จะหลุดจากโอภาษเมื่อก่อนที่หลวงพ่อเคยไปเรียนจากหลวงุู่เทศท่านสอนบอกว่าเวลาเกิดวิปัสสนูเนี่ยเกิดเพราะว่าสมาธิไม่ไม่พอเราฟังอย่างนี้เราจะไม่เก็ตนะเวลามันเกิดจริงๆเราก็ค่อยๆมาสังเกตอ๋อจิตมันไม่ตั้งมั่นเองจิตมันหลงไปข้างนอก หลงไปอยู่ในความว่างความสว่างหลงไปอยู่ในปัญญานะหลงไปอยู่ในความสุขในความสุขความสบายความเย็นนะความโล่งความว่างหนะลงไปสารพัดรูปแบบเลยนะจิตมันไม่ตั้งมั่นถ้าเมื่อไหร่จิตตั้งมั่นมันก็จะหลุดออกมาอันนี้เราเห็นมาด้วยการปฏิบัติอย่างนีนะ้เสร็จแล้วเพิ่งมาเจอพระสูตรเนียที่ท่านพระนนท์สอนไว้เหมือนกันเปียบเลย วนะิปั ส, สนาวูมเกิดจากจิตมันไม่ตั้งมั่นไหลออกไปจิตไม่ถึงฐานนั่นแหละที่หลวงพ่อเรียกว่าไม่ถึงฐานไม่ถึงฐานนะเพราะฉะนั้นเวลาพวกเราภาวนานะค่อยๆสังเกตเราดูจิตดูใจหรือว่าดูกายก็เหมือนกันนะไม่ว่าทํำวิปัสนาด้วยอะไรเนะี่ยเกิดวิปัสนาได้ทั้งสิ้นเลยไม่ใช่ว่าดูจิตแล้วมีแต่วิปัสนาดูกายไม่มีวิปัสนาเข้าใจผิดนะหลวงพ่อเจอคนติดวิปัสนานนี้เยอะแยะไปหมดเลยในกระทั้งในสำนักต่างๆของครูบาอจาย์ก็มีไม่ใช่ไม่มีนะ ถ้าทำวิปัสสนาถูกต้องนะแต่เพิ่งเริ่มเพิ่งเริ่มวิปัสสนาได้ไม่นานนะยังไม่ชำนิชำนาญพอเนี่ยสมาธิไม่พอจิตไม่ตั้งมั่นจิตไม่ถึงฐานเนี่ยมันจะมัวแต่ดูอารมณ์ที่เกิดดับแล้วถล่มออกไปดูพออารมณ์นั้นหมดไปวั๊บไปมันโล่งมันว่างมันสว่างแล้คราวนี้ก็เปยไค้างอยู่ตรงนี้เลยนิพคิดว่านิพานเอาละเราเป็นพระอรหันต์แล้วตรงนี้ไม่มีกิเลสเลยคนที่ภาวนา ม, มาตรงนี้คิดว่าตัวเองเป็นพระอรหันต์นี่มีหลายคน นะตอนนี้แก้ไปได้หลายคนแล้วบางคนก็แก้ไม่ได้เพราะไม่ยอมมาเจอเราเลยมีบางคนไม่ได้มาเจอนะหลวงพ่อบอกว่าไม่ถูกหรอกโมโหไปเลยนะหายไปหายไปนานๆกลับมาใหม่บอกสติแตกมาแล้วไม่ใช่แล้วรู้แล้วว่าไม่ใช่บอกใช่มันไม่ใช่หรอกจิตมันไม่ถึงฐานจิตมันไปอยู่นอกๆ น, นะนี่คนที่ไปเจอวิปัสสนาว่างๆนี่ก็เลยจะเกิดความสำคัญผิดว่าบรรลุพระอรหรันต์ ก็จะคิดว่าโอ้เอาใจไปอยู่ในความว่างนี้แหละคืออยู่กับนิพพานอยู่กับสุญญาตานี่เป็นทางลัดไม่ต้องมามีสติรู้กายรู้ใจก็ได้ไปดูความว่างเอาไว้นี่พวกนี้เป็นมีปัจ ส, สนบนะถ้าไปดูความว่างอยู่นะมันเดินปัญญาต่อไม่ได้เป็นภพอันหนึ่งซึ่งตัวเองมองไม่ออกว่าเป็นภพไปติดอยู่อย่างนั้นแหละแต่ถ้ารู้ทันเมื่อไหร่นะว่าจิตไม่ตั้งมั่นจิตไม่ถึงฐานทั้งจะหลุดออกมาเลยนะ พวกนี้จะน่าสงสารแล้วน่ากลัวน่ากลัวตรงที่จะเที่ยวเผยแพร่คำสอนออกไปอีกนะบอกว่าอย่าไปดูกายอย่าไปดูใจเลยนะจับความไม่มีอะไรจับสุญญาตาพวกนี้ผิดนะผิดไปดูความว่างผิดนะต้องดูกายต้องดูใจนี่หลวงพ่อตอนนั้นผิดอาจารย์มหาบัวแก้ให้นี่ภาวนามาอีกได้กี่องแล้วห้าองเสร็จแล้วภาวนามานะนานหลายปีเลย ตอนนั้นใกล้จะบวชแล้วไ้เจอหลวงพ่อพุธก็หลวงพ่อพุธเนี่ยกับหลวงพ่อเนี่ยนะเคยมีข้อตกลงกันเมื่อปีสองหกลวงพ่อไปหาหลวงปู่ดูลเสร็จแล้วกลับมากลับหลวงพ่อพุธที่โคราชท่านถามว่าหลวงปู่สอนอะไรกลาบเรียนท่านบอกหลวงปู่สอนว่าพบผู้รู้ให้ทำลายผู้รู้พบจิตทำลายจิตจึงจะถึงความบริสุทธิ์อย่างแท้จริง บางคนภาวนาไม่มีผู้รู้นะถ้าคนไหนเดินมาทางสมถีญานิกมันจะมีผู้รู้ถ้าเดินมาทางวิปัสสนาญาณิสมันจะไม่ตั้งตัวผู้รู้จะ animal, แค่รู้สึกแล้วก็ iffer, กดับรู้สึกแล้วก็ดับเป็นขณะขณะคนละแบบกันคนไหนที่มีตัวผู้รู้อยู่แล้วไปประคองไปรักษาตัวผู้รู้ไว้ตัวเนี้ใช้ไม่ได้พ้นทุกข์ไม่ได้จริงหรอกไปเห็นว่าตัวผู้รู้เที่ยงตัวผู้รู้เป็นสุขตัวผู้รู้เนี่ยบังคับได้ไปเห็นอย่างนี้ หลวงพ่อพุธท่าก็บอกว่าท่านไปหาหลวงปู่ดูลมาเหมือนกันก่อนหน้าหลวงพ่อเจ็ดวันหลวงปู่สอนอย่างเดียวกันบอกเจ้าคุณการปฏิบัติจะยากอะไรพบผู้รู้ให้ทำลายผู้รู้พบจิตให้ทำลายจิตชีจ้จะถึงความบริสุทธิ์อย่างแท้จริงเนี่ยเราจะต้องทำลายผู้รู้ท่านบอกนี้นะทำลายผู้รู้คือไม่ยึดผู้รู้นั่นแหละท่านเฉลยมานิดนึงคุณกอ็อาตมามาตกลงกันใครทำลายได้ก่อนให้มาบอกกันใครทำลายได้ก่อนให้มาบอกกันท่านสั่งอย่างนี้ เสร็จแล้วเราไม่เจอท่านอีกเลยตั้งแต่นั้นนะท่านหนีโยมซุกซ่อนซอกซอนหนีไปเรื่อยๆโยมยุ่งกับท่านมากนะแล้วท่านเป็นมะเร็งเป็นอะไรไปไม่สบายท่านต้องพักอ่ะออกมาสอนแล้วท่านก็ต้องหลบไม่เจอท่านนานเลยจนกระทั่งก่อนท่านมรณภาพไม่นานท่านเป็นเทศที่องค์การโทรศัพท์โอทีนี่แหละทีโท็อตท็อตแปลว่าเด็กอ่อนๆนะพอท่านเทศเสร็จก็เข้าไปกราบท่านบอก หลวงพ่อผมยังทำลายผู้รู้ไม่ได้เลยท่านบอกว่าจิตผู้รู้เหมือนฟองไข่นะเมื่อลูกไก่เติบโตเต็มที่มันจะเจาะทำลายเปลือกออกมาเองท่านบอกอย่างนี้นะเราก็ใจเย็นได้แล้วคราวนี้เรารอให้ลูกไก่ตัวใหญ่เดี๋ยวจะเจาะเปลือกตอนนี้เรายังเป็นลูกไก่ตัวเล็กอยู่พวกเราอาจจะนึกภาพไม่ออกว่าหลวงพ่อเป็นลูกไก่ตัวเล็กได้อย่างไรเพราะหลวงพ่อ พ, อ, พ, อ, พ, อ, พอกับลินหุยนะ้ยแล้ว เห็นไหมภาวนาอย่าใจร้อนบทเรียนก็คือภาวนาแล้วอย่าใจร้อนนะมีสติรู้กายมีสติรู้ใจด้วยจิตที่ตั้งมั่นและเป็นกลางถ้าไม่คลาดเคลื่อนจากการมีสติรู้กายรู้ใจนะั้นด้วยจิตที่ตั้งมั่นและเป็นกลางแล้วก็อย่าใจร้อนเดินไปเรื่อยๆวันหนึ่งจิตใจมันเติบโตเต็มที่แล้มันทำลายเปลือกออกมาเองนะนี่5้าองค์แล้วนะครูบาอาจารย์ที่เคยแก้กรรมฐานให้หลวงพ่อ5้าองค์แต่6คําถาม6ปัญหา องค์สุดท้ายนี่หลงหลวงปู่สุวัตหลวงปู่สุวัตเนี่ยท่านมาจากอเมริกาแล้วก็ไปกราบท่านก่อนจะไปกราบนะพราภนายังไม่ได้บวชนะจิตเราหลุดออกมาจิตหลุดออกมาแล้วโอ้สบายจังเลยนะเรารู้เลยว่าพระอรหันต์ต้องเป็นแบบเนี้จิตไม่เกาะอะไรจิตไม่เกาะขันนี่ดีใจนะได้ข่าวว่าท่านมารีบขับรถเลยไปหาท่านปรากฏว่าพอใกล้จะถึงที่ท่านพากักท่านมาพักที่สวนทิพย์ จิตมันดันเข้าไปเกาะกันตายแล้วว่ะแล้วจะเอาอะไรไปส่งอ่ะดนะึงใหญ่เฮ็ดันกลับเข้าไปยึดอีกนะดูไปก็ทําไงก็ไม่หลุดนะนี่แหละหนะ้ามันเป็นอนัตตาคิดอย่างนี้มันเป็นใจลักพอคิดว่ามันเป็นใจลักนะใจเราไม่ดิน้นก็หลุดออกมาเข้าไปถึงไปกราบท่านนะตอนนั้นท่านเป็นอมภารแล้วท่านมองหน้าเราแนละ้วท่านก็ยิ้มยิ้มเห็นไหมไม่ต้องถาม นะไม่ต้องถามเลยนะท่านมองหน้าแล้วก็ยิ้มยิ้มนี่แหละบางทีจิตมันก็หลุดออกมานี่จิตก็เข้าไปจับอารมณ์พอมันจับอารมณ์แล้วเราเห็นว่ามันเป็นไตรลักษณ์มันก็หลุดออกมานะท่านบอกอย่างนี้นะเรารู้อ๋อจิตนี้ก็เป็นไตรลักษนณะ์นะเราจะไปบังคับให้จิตหลุดพ้นไม่ได้หรอกนะถึงเวลาถ้าเขาพอนะเขาหลุดเองแต่เราไม่รู้ว่าเขาขาดอะไรที่ยังไม่พอนะะเฉลยเลยก็คือขาดอริยสัจ ขาดความรู้แจ้งอริยสัจนะถ้าแจ้งอริยสัจนะก็คือพอถ้าไม่แจ้งอริยสัจยังเห็นว่ากายนี้ใจนี้เป็นตัวสุขบ้างทุกบ้างอยู่เนี่ยไม่มีทางเลยยังไม่พอที่จะปล่อยวางความยึดถือกายยึดถือใจนั้นหลวงพ่อนี่นะเคยกราบครูบาอาจารย์มานับไม่ถ้วนหลาย10องค์เคยนับนับนะร่วม40องคนะ์แต่ครูบาอาจารย์ที่เคยแก้กรรมฐานให้หลวงพ่อเนี่ยรวมทั้งหมดเนี่ยเครั้งเท่านั้น ถ้าคนไหนถามหลวงพ่อเกินเจ็ดครั้งนะถือว่าเป็นอวชาติตสิทธิ์นะมากไปนะถ้าถามเจ็ดครั้งเขาเรียกอนุชาติตสิทธิ์พอๆกันนะถ้าไม่ต้องถามเลยนะเราก็ผ่านไปเลยเป็นอภิชาติตสิทธิ์นะงั้นพวกไหนถามมากนะพวกหลุยถ้วยนะอย่าถามเยอะเลยหัดรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงด้วยจิตที่ตั้งมั่นและเป็นกลาง หลักมีเท่านี้เองที่ผิดนะผิดจากหลักนี้ทั้งสิ้นเลยนะเช่นแทนที่จะรู้กายรู้ใจนั้นก็ไปรู้ความว่างไปหลงดูความว่างใช้ไม่ได้นะพวกที่ภาวนาแล้วติดความว่างดูกายก็ติดว่างดูจิตก็ติดว่างดูอะไรก็ติดหมดอะนะอย่างนี้ใช้ไม่ได้บางคนก็ฟุ้งในธรรมะอยากพูดธรรมะใครเป็นบ้างรู้ตัวไว้นะวิปัสสนูชนิดหนึ่งเจอใครอยากจะสะกิดมาฟังธรรมะก่อนมามาฟังมาฟังนะ เคยมีพระองค์หนึ่งนะท่านอยู่ที่บุรีรัมย์ท่านเกิดวิปัสสนูชนิดฟุ้งในธรรมะนี่แหละเป็นลูกศิษย์หลวงปู่ดูลนะแล้วเขารบหลวงปู่ดูลมากเลยเดินลุยมาจากบุรีรัมย์เลยจากพนมรุ้งอะ่ะเดินมาสุรินทร์นะคิดดูดิเดินลยุลยลยุลยลุยป่ามาชุกนั้นะ่ะมาถึงตอนดึกแล้วเที่ยงคืนแล้วเออร้านวัดเลยมาที่วัดบุญหลวงตาดูลนี่เรียกหลวงตาดูลเลยนะ ไม่ใช่ท่านพระอาจารย์นะ้วหลวงตาดูนมาฟังเทศพระละหันมาโปรดแล้วไปเคาะประตูเรียกพระทางวัดเลยนะตอนเช้าขึ้นมานะหลวงปู่แก้แก้ไม่ตกนะสุดท้ายหลวงปู่ใช้ไม้ตายเลยด่าสัตว์นรกไอ้บ้าไอ้สัตว์นร ก, ออรนรกโอ้โหพระละหันนะโกรธเลือดขึ้นหน้าตาดูลไม่ใช่แม่กูกูไปแล้วนะกวาไม่กวาดได้นะพลาดบ่านึกว่าเป็นกรดนะ พ า, เ, าเดินออกไปสามกิโลแล้วเพ่งนึกได้เฮ้ยเราขาดสติอย่างรแรงเลยไม่ใช่พระรหะันเนี่ยมันมันเกิดขึ้นได้เสมอนะถ้าหากเราไม่คอยประณีตพอจิตมันฟุ้งซ่านไปฟุ้งซ่านไปอยู่ในความว่างฟุ้งซ่านไปอยู่ในธรรมะฟุ้งซ่านไปอยู่ในปีติเนี่ยฟุ้งซ่านไปอยู่ในความสงบฟุ้งซ่านไปในการขยันภาวนาภาวนาได้ทั้งวี่ทั้งวันไม่เคยพักเลยดูเจริญสติอย่างเดียวไม่มีเบรกเลย เนี่ยเป็นอาการที่เพียนเพียนทั้งสิ้นเลยถ้าภาวนาถูกต้องเราจะเจอนะถ้าภาวนาผิดเราจะไม่เจอจะเจอนิมิตแทนนะงั้นวันนี้หลวงพ่อก็เทศเรื่องวิปัสสนูให้ฟังด้วยแล้วก็เทศให้ฟังสิ่งที่ทำผิดมาเนี่ยมีตั้งหลายแบบโดยสรุปเลยก็คือเราไม่ได้มีสติรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงนะไม่รู้ลงปัจจุบันตามความเป็นจริงด้วยจิตที่ตั้งมั่นและเป็นกลาง ถ้าเราสามารถรู้กายรู้ใจนะที่ปรากฏในปัจจุบันเนี่ยต้องเป็นปัจจุบันนะมันถึงจะเป็นของจริงอดีตไม่ใช่ของจริงอนาคตไม่ใช่ของจริงต้องรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงคือต้องเห็นไตรลักษณ์ของมันด้วยจิตที่ตั้งมั่นและเป็นกลางถ้าจิตไม่ตั้งมั่นแต่จิตไหลออกไปจิตฟุ้งออกไปจิตไปแช่อารมณ์ใช้ไม่ได้นะจะเป็นวิปัสสนูมที่ผ่านมาเนี่ยมันจะผิดอยู่ในหลักนี้ทั้งหมดเลยเริ่มตั้งแต่ไปหัดดูดูจิต แล้วก็ไปแก้อาการของจิตใช่ไหมนี่ไม่ใช่รู้นี่เป็นการเข้าไปแก้ไขหรือถลําลงไปดูนี่จิตไม่ตั้งมั่นหนูปูสิมท่านแก้ให้จิตถลําลงไปดูหรือจิตไม่เจริญสติไปรวดเลยไม่ยอมทําความสงบไม่พักผ่อนเลยนะจิตหมดเรี่ยวหมดแรงไปเห็นไหมจิตไม่มีแรงจิตไม่ตั้งมั่นไม่เป็นกลางจริงจิตหมดแรงหรือจิตไหลออกไปข้างนอกสว่างว่างออกไปแล้วไปอยู่ในความว่างความสว่างอย่างตอนนี้มีคนวิจารณ์บอกหลวงพ่อสอนผิด นะเพราะมีคนไปส่งกันบ้านที่วัดอื่นนะบอกว่าไปเรียนดูจิตมานี่แหละ ท, ท่านอาจารย์นั้นท่านก็สอนถูกนะท่านบอกมันผิดนี่ว่ามันไปดูความว่างมันไปติดในความว่างก็ถูกของท่านนะแต่ท่านเข้าใจผิดว่าดูจิตแล้วจะเป็นอย่างนี้ทุกคนไอ้นี่มันเป็นวิปัสสนูนะงั้นไม่ใช่บางคนสงสัยทาไมหลูกพ่อไม่เป็นทะเลาะกับองค์อื่นไม่ทะเลาะหรอกนะท่านก็พูดก็ถูกของท่านแหละนี่ไหมพวกเราภาวนาหลอยถ้วยเองอะ จิตไปติดในความว่างภาวนาผิดละนะนะงั้นถ้าจิตไม่ไปติดในความว่าเรารู้ถันก็หลุดออกมานะงั้นการภาวนานะถ้าเข้าใจหลักของการปฏิบัติที่แท้จริงแล้วไม่มีปัญหาอะไรเลยภนะาวนาของเราเองก็สะดวกสบายนะพอเข้าไปหาครูบาอาจารย์ก็ไม่เคยมีปัญหาเลยนะอย่างหลวงพ่อนะมีพระมาทางอีสานท่านมาหานะลูกศิษย์หลวงพ่อถุยให้รู้จักหลวงพ่อถุยปัดป่าด่านวิเบก หลวงพ่อทุยนี่ครูบาอาจารย์รับรองท่านนะคุณธรรมท่านสูงมากเลยลูกศิษย์ท่านมาเรียนที่หลวงพ่อแล้วก็เอาหนังสือหลวงพ่อเอาซีดีหลวงพ่อเนี่ยไปถวายท่านอาจารย์ตุยท่านฟังจริงๆนะท่านฟังจนหมดเลยท่านอ่านจนทั้งเล่มเลยอ่านทางเอกทั้งเล่มเสร็จแล้วท่านก็บอกกับลูกศิษย์ท่านที่อาจารย์ตะโมทสอนมานี่นะเราเห็นด้วยทุกอย่างเลยเราไม่เห็นด้วยอยู่ข้อเดียวเองเนี่ยนะความเห็นต่างได้ บอกเราไม่เห็นด้วยอยู่ข้อเดียวข้ออื่นเห็นด้วยหมดเลยอาจารย์ปราโมทบอกการภาวนา ง, ง่ายเราว่ามันยากนะมีอยู่ข้อเดียวมันยากถูกของท่านนะมันยากที่คนทั่วๆไปเนี่ยจะตื่นขึ้นมาจิตเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานแต่ถ้าจิตของเราเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานแล้วไม่ยากหรอกที่จะบรรลุมรรคผล น, นิพพานในชีวิตนี้นะเพราะฉะนั้นพวกเราภอวนาไปนะหัดดูกายหัดดูใจมีสติรู้กายรู้ใจลงปัจจุบันเรื่อยไปนะ รู้ไปถึงจุดหนึ่งนะต้องระวังวิปัสสนูนะจิตไม่ตั้งมัน่นจิตไม่เป็นกลางจิตไม่ถึงฐานอย่าที่อาจารย์มหาบัวเคยบอกหลวงพ่อว่าที่ว่าดูจิตนั้นดูไม่ถึงจิตแล้วไปหลงอยู่ในว่างๆนะี่นั้นถ้าเรารู้ทันตัวนี้เราก็ผ่านไปได้นะไม่ว่าจะทําวิปัสนาด้วยวิธีใดนะหนีวิปัสสนูไม่พ้นหรอกเจอทุกอย่านะจะมากจะน้อยเท่านั้นเองนะงั้นเราไม่ต้องกลัวนะวิปัสสนูไม่ได้แปลว่าบ้า วิปัสสนูนะั้นมันเป็นความที่ใจมันลำพองไปทยานไปหลงไปในธรรมะไม่ใช่หลงในอาธรรมนะหลงไปในธรรมะเผลอเพลินไปในธรรมะถ้ารู้ฐานจิตตั้งมั่นขึ้มนมาก็หลุดเลยไม่ยากเท่าไหร่หรอกอาวุธ น, นิเทศเท่านี้พอหวังว่าคงไม่มีคําถามเพราะที่เล่ามาทั้งหมดนี้นะควรจะตอบคําถามทั้งหมดได้อยู่แล้วใครยังจะถามอีกใครยอยากสมัครเป็นอาวชชาตสิทธ นมนสกกาสกัดเลยค่ะหลวงพ่ออือวันนี้ลูกได้ส่งการบ้านเป็นครั้งแรกนะคะออรู้สึกกดๆไ ม, ม่กดเป็นสิ่ไม่ทราบว่าลูกภาวนาตามรู้ตามตู้อยู่พอใช้ได้ไหมคะจิตตอนเนี้ยมันกระจายออกไปดูออกไหมจิตมันไม่ตั้งมั่นมันไม่ถึงถานใช่ไหมมันกระจายออกไปนอกๆ ก, ก็รู้ทันนะอย่าไปหลงกลมันถ้ากระจายออกนอกไปเนี่ยมันดูกายดูใจไม่ได้จริงถ้าไปเพลอเพลินตรงนี้ก็โล่งๆว่างๆไม่ดีหรอก นะข้อที่สองก็คือปฏิบัติในรูปแบบเนี่ยไม่ทราบว่าถ้าเกิดลูกนั่งมากกว่าเดินใช้ได้ไหมคะหลวงพ่อที่ทําอยู่แล้วแต่จริยนิสัยคนคอย่างหลวงพ่อเนี่ยไม่ถนัดเดินนะหลวงพ่อถนัดนั่งให้หลวงพ่อไปเดินจงกลมนะสมัยก่อนเดินไม่เป็นหรอกเดินเดินไปนะั่นยิ่งฟุ้งซ่านยิ่งกว่าเก่าอีกนะถนัดนั่งนะคุณถึงเป็นแบบนี้หลนะเรียกนั่งพระนั่งนะหลวงพ่อคําถามสุดท้ายค่ะของคุณนะ จิตมีโมหามากพยายามเคลื่อนไหวไปจะไม่ชอบเดินจงกรมก็ไม่เป็นไรนะไปหางานทําไปกวาดบ้านทูบ้านอไย่างนี้ยแล้วก็เห็นร่างกายเคลื่อนไหวไปของคุณนั่งอย่างเดียวไม่ได้นั่งแล้วจะเคลิม้มนี่คือวิหารละทำแล้วใช่ไหมหลวงใช่<อ>ไปกระดุกกระดิกไปขอพิกพื่นค่ะลงพอครับนันการดกขงพอ่อเจ้าค่ะคือการบ้านของ อ, อย่าน้อมใจให้อ่อนๆเจ้าค่ะรู้สึกไหมทําให้ใจอ่อนๆให้ดูน่ารักน่าสงสารเ <laughs> นี้ยอ คือการบ้านครั้งล่าสุดเจ้าค่ะหลวงพ่อให้หนูพยายามรู้สึกเข้ามาที่ตัวนะเจ้าค่ะอะไรนะไม่ได้ยินคือการบ้านครั้งล่าสุดหลวงพ่อให้หนูพยายามรู้สึกเข้ามาที่ตัวน่ะเจ้าค่ะคือคือหนูมันเข้ามาเยอะขึ้นแล้วรู้สึกไหมรู้สึกก่อนมันกระจายโล่งๆว่างๆไปนะเจ้าค่ะดังนั้นมันไม่เดินปัญญาหรอกเจ้าค่ะแต่ดูรู้สึกว่าหนูกังวลกับมันมากเจ้าค่ะคือมีความรู้สึกว่าคือเราอยากให้มันเต็มกายเร็วเจ้าค่ะอยากอะไรนะอยากให้ให้จิตมันเข้ามาที่กายเต็มตัวเร็ว่เจ้าค่ะให้รู้ว่าอยากกิเลสเกิดแล้ว จิตไม่เข้ามาเพราะว่าเรามีกิเลสหรอกนะจิตเข้ามาเพราะสติเพราะปัญญาไปรู้ทันกิเลสเข้าเจ้าค่ะคือถ้าหนูพยายามรู้สึกเข้ามาเรื่อยๆอย่างนี้แล้วมันก็จะังใจมากไปจงใจมากไปจงใจมากไปความจริงแค่รู้ว่าจิตออกนอกจิตก็จะเข้ามาเองนะเจ้าค่ะกราบน้อมสักการครับวันนี้เพื่อเป็นครั้งแรกที่ได้มาแต่ก็ได้ฟังซีดีของหลวงพ่อมาตลอดนะครับแล้วก็การปฏิบัติที่ผ่านมาส่วนใหญ่ก็ สงบบ้างแล้วก็พุ่งสรานบ้างแต่ส่วนใหญ่จะพุ่งสร้างครับวันนี้ก็เลยมาขอที่ภาวนายูก็ดีขึ้นแล้วนะใจมันก็ค่อยๆตื่นขึ้นมาแล้วรู้สึกไหมมันเหมือนเรารู้สึกตัวขึ้นรู้สึกตัวขึ้นมันไม่หลงนานต่อไปนี้อะไรเกิดขึ้นในกายในใจคอยรู้สึกไปกิเลสเกิดก็รู้กุศลเกิดก็รู้ความสุขความทุกข์เกิดก็รู้นะอย่างตอนนี้ใจลอยรู้จักไหมถ้าใจลอยก็รู้ คอยรู้ถันด้ด้วยๆในมรสการค่ะหลวงพอ่อคือว่าของหนูนี่เพิ่งจะได้ฟังซีดีแล้วก็หัดดูจิตไม่นานนะคะแต่ว่าส่วนใหญ่จะไม่ค่อยรู้ตัวนะคะจะจะส่วนใหญ่จะเผลอนานๆ น, น, นะคะแล้วก็จะรู้ว่าคิดบ่อยมากๆคิดตลอดนะคะมีวิหารธรรมไว้อันหนึ่งนะจะอยู่กับพุโทโธก็ได้อะไรก็ได้มีเครื่องอยู่ไว้อันหนึ่ง พอจิตเราไปเพ่งอยู่ที่เครื่องอยู่นั้นเราก็รู้จิตห น, นีไปจากเครื่องอยู่ mm. <ๆ>นั้นเราก็รู้จิตเป็นยังไงคอยรู้เรื่อยๆการภาวนาเนี่ยถ้าเราไม่มีเครื่องอยู่ของจิตเลยภาวนาแล้วมันจะหลงนานแต่ถ้าเรามีเครื่องอยู่เช่นบางคนอยู่กับพุทโธอยู่กับสัมมาอรหังอยู่กับลมหายใจอยู่กับท้องพองยุบอะไรก็ได้บางคนอยู่กับาการเคลื่อนไหวร่างกายอะไรก็ได้เหมือนกันหมดะ แล้วก็จิตไปอยู่สมมติเราอยู่กับการเคลื่อนไหวเนี่ยจิตไหลไปอยู่ที่มือเรารู้จิตหนีไปที่อื่นเรารู้จิตไปคิดเรารู้ต่อไปเนี่ยจิตมันไหวตัวนิดเดียวนะสติจะเกิดเลยมันจะไม่หลงนานแต่จะหลงบ่อยไหวแวบรู้สึกแวบรู้สึกเลยนะการภาวนาเนี่ยไม่ใช่ฝึกที่จะไม่ให้หลงเลยแต่การภาวนานะฝึกที่จะรู้สึกตัวบ่อยๆทุกครั้งที่รู้สึกตัวขึ้นมาความหลงตะกี้นี้จะผ่านไปแล้ว เพ้ตลอดวันเนี่ยจะมีแต่หลงแล้วก็รู้หลงแล้วก็รู้สลับกันไปเรื่อยๆการที่เราเห็นหลงและรู้สลับกันไปเรื่อยๆเนี่ยถึงจุนหนึ่งปัญญามันจะเกิดมันจะเห็นความจริงว่าทั้งรู้และทั้งหลงเนี่ยนะเกิดแล้วดับเหมือนกันทั้งสิ้นนะงั้นเราไม่ได้ภาวนาเพื่อจะเอารู้อย่างเดียวแต่มีรู้ขึ้นมาเพื่อจะให้ความหลงเนี่ยขาดเป็นท่อนๆเราจะเห็นว่าหลงก็เกิดแล้วก็ดับรู้เกิดแล้วก็ดับทุกอย่างเกิดแล้วก็ดับาราวนาเพื่อตรงนี้นะเราจะง่าย แล้วบางทีไม่ไม่น่าใจว่าคิดเองหรือว่ารู้อะคะ่ะรู้ใช้ได้แล้วล่ะไปหัดรู้ต่อมาสการ์ค่ะหลวงพ่อคือหนูภาวนาแล้วจะไปติดไปรับรู้อารมณ์แล้วก็จะนิ่งๆไปอย่างนี้นะคะ่ะกระดูกกระดิกไว้อย่าให้เฉยนะอย่าให้ติดจิตจิตไปติดเฉยก็คือพยายามขยับนียขยับตัวไว้เคลื่อนไหวไว้หา ง, งานทําไว้อย่างครูบาอาจารยนะ์พาลูกศิษย์ทํางานทั้งวันเลยบางองค์นะ อย่างหลวงพ่อประสิทธิ์อยู่ถ้าใหญ่ปลิกพาพระขนก้อนหินทั้งวันเลยขนไปขนมาขนมาขนไปขนอยู่งั้นจนท่านมรณภาพนะท่านจะให้เจริญสติในชีวิตประจําวันท่านไม่ไม่ได้บอกเลยว่าให้เป็นนั่งอย่างเดียวไปเดินจงกรมลูกเดียวนะไม่มีท่านทาทํางานการที่ทํางานไปแล้วเราคอยมีสติคอยรู้ไปในนี้แหละเรียกว่าการปฏิบัติในชีวิตประจําวันพยายามทําตัวนี้ให้เยอะ หนูนี้ควรจะรู้กายมากกว่าดูเคลื่อนไหวไหมนะเคลื่อนไหวสุดท้ายมันจะไปดูที่จิตเอาคุณอนะ่ะเป็นคนช่างคิดแต่ตอนเนี้ยมันไม่มีแรงพอไปดูร่างกายที่เคลื่อนไหวไหเพราะมันมีแรงมากๆจะเห็นจิตได้ชัดขึ้นขอบคุณค่ะหลวงปู่สุวัตเคยบอกนะว่าท่านไปหาหลวงปู่มั่นหลวงปู่มั่นสอนท่านบอกว่าถ้าดูจิตได้ให้ดูจิตถ้าดูจิตไม่ได้ให้ดูกาย ดูกายก็เพื่อจะมารู้จิตดูจิต่อเพื่อให้เข้าใจความจริงยิ่งยิ่งขึ้นไปเนี่ยถ้าดูจิตได้ดูจิตดูจิตไม่ได้ดูกายดูจิตก็ไม่ได้ดูกายก็ไม่ได้ก็ทำความสงบขึ้นมามีแนวรุกแนวรับอย่อย่างนี้พอทำความสงบขึ้นมาจิตมีเรี่ยวมีแรงก็กลับมาดูจิตได้อีกเอาเชิญการตุกการหลวงพ่อครับผมติดสมถะมาสามสบอปีนะครับติดนานแล้วก็เมื่อกลางปีที่แล้วก็พอดีลูกชายเขา พอ เ, เปิดเน็ตแล้วก็พอ เ, เปิดเน็ตของพ่อเน็ตวิมุตตินะฮะไม่ใช่กล อ, องอหลวงพ่อหรอกนะกล่องพวกนี้แหละ <c oughs> ผมได้ยินเขาบอกกอล์ฟธรรมะของใครอะ่ะตรงจริตพ่อเลยใช่ไหมครับพอดีลูกชายนี้ผมฝึกให้เขานั่งสมาธิตั้งแต่เด็กๆก็เลยชอบธรรมะครับเส <c oughs> แต่แล้วก็พอฟังเริ่มฟังตีดีของพ่อตั้งแต่รางปีที่แล้วจนปัจจุบันเนี่ยรู้สึกว่าจิตใจเนี่ยมันตื่นนะฮะรู้สึกรู้สึก มือคือเห็นเห็นกายเห็นจิตอยู่บ่อยใช่<ป>นั่นแหละแล้วก็กิเลส ก, ก็เห็นบ่อยออืเห็นแม่กายก็แยกออกไปส่วนหนึง่งจิตก็แยกไปส่วนหนึง่งกิเลส ก, ก็แยกไปอีกส่วนหนึง่งครับนะวความสุขความทุกข์ก็แยกออกไปครับผมหลวงพ่อครับแล้วเวลาผมนั่งสมาธิคือทําตามรูปแบบเนี่ยเวลาผมจวดมนต์แล้วก็จเจริญกรรมฐานเนี่ยผมชอบที่จะใช้ตกรูกประคฮนะฮะเพราะผมติดตอนนั้นไปไปกราบหลวงพ่ออะไรองค์ที่ทางภาคเหนือนะครับ ก็ติดรูปประคำไม่เป็นไรหลวงพ่อภาคเหนือเก่งๆก็มีตั้งหลายวงแล้วก็รู้สึกว่าพอตกรูปประคำแล้วมันสติเกิดดีมากนั่นแหละสําคัญไม่ได้อยู่ที่รูปประคำนยสําคัญอยู่ที่เรามีสติครับใช้รูปประคำแล้วมีสติเราก็ใช้ได้ไม่ได้ผิดอะไรปัจจุบันนี้ก็บางทีก็ทํารูปประคำเป็นเล็กๆใช้ง่าแล้วก็ไปไหนแล้วก็ตกไปเรื่อยแล้วก็จะรู้สึกจะมีสติดีได้ได้หลวงพ่อเคยรู้จักผู้หญิงคนหนึ่งเขาเล่นรูปประคำเหมือนกัน แต่เป็นลูกประคำเม็ดเดียวไม่ได้มีปวงเล็กๆหรอกมีก้อนกรวดอยู่ในนิ้วมือแค่นี้แค่แตะๆ แ, แ, แล้วก็รู้สึกแตะๆ แ, แล้วก็คอยรู้สึกเพราภาวนาเข้า อ, อย่างนี้ใช้ได้เหมือนกันตัวสำคัญอยู่ที่สติแล้วอยากกราบเรียนหล<ม>วงพ่อว่าที่คุณภาวนาอยู่ใช้ได้แล้วล่ะครับผมนะไปรู้กายไปรู้ใจเห็นกายมันทำงานไม่ใช่ตัวเราทำงานเห็นจิตมันปรุงแต่งไปทั้งวันไม่ใช่เราครับผม ทำมาอย่างนี้ถูกแล้วขอบพระคุณครับสมาธิไม่ใช่ของเสียหายนะแต่ถ้าทําสมาธิแล้วเดินปัญญาไม่เป็นอันนี้ถึงจะเสียหาย้ะเดินปัญญาแล้วทําสมาธิไม่เป็นอันนี้ลําบากครับครับปัจจุบันแถมอีกนิดนึงครับเผื่อคนอื่นจะเอานําไปใช้ได้บ้างคือผมจะเล่นดูเน็ตทุกวันแล้วที่หน้าคอมพิวเตอร์เนี่ยผมจะเขียนคําว่า มีสติรู้กายรู้ใจในปัจจุบันด้วยจิ ต, จตที่เป็นกลางโอ้ได้ได้ไม่ว่าไม่สนวนริขสิทธิ์ครับผมขอบพระคุณครับเ <laughs> มื่อก่อนหลวงพ่อยังมีเซฟจอคอมพิวเตอร์เลยนะร่างกายและจิตใจนะเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับธรรมชาติที่แวดล้อมอยู่อันนี้เขียนมานานลนะมีเหมือนกันอาจารย์สุรวัรแกก็แปะแปะไปทุกคนทุกแห่งแต่หน้าจอคอมพิวเตอร์ก็แปะนะแปะบอกว่า ให้มีสติอะไรรู้กายรู้ใจด้วยจิตที่เป็นกลางเนี่ยเตือนตัวเองไม่เป็นไรใช้ได้นมัทการค่ะที่หลวงพ่อเคยบอกว่าเวลาที่ร่างกายเคลื่อนไหวแล้วใจเป็นคนดูค่ะทีนี้เวลาที่ตัวเองดูเรารู้สึกว่ามันแนบแน่นไปกับการเคลื่อนไหวตลอดเลยค่ะมันไม่ได้รู้สึกว่ากายมันอยู่ห่างอันนั้นมันเป็นการเพ่งกายนะถ้าเพ่งกายไปเรื่อยๆได้สมถะ อย่างเราเดินจงกรมนะแนบไปอยู่ที่เท้าอย่างเงี้ยเป็นสมถะแต่ถ้าเราเดินจงกรมแล้วเราเดินสบายๆนะเราเห็นร่างกายมันเดินอย่างเนี้ยร่างกายที่เดินอยู่นี้ไม่ใช่ตัวเร า, าเดินวิปัสสนาได้แต่แต่พอจะถอนใจออกมาเป็นคนดูมันก็เหมือนกับเราเสียสแสงแกล้งทาที่จริงนะรู้ว่าจิตเป็นแนบกับอารมณ์แค่นั้นก็พอแล้วนั่นแหละรู้ทันจิตเรียบร้อยแล้ว ที่คุณภาวนาอยู่ตรงนี้ไม่ได้ผิดอะไรเลยไม่จําเป็นนะว่าจิตต้องแยกออกมาจิตเข้าไปรวมอยู่รู้ว่าจิตเข้าไปรวมจิตแยกออกมารู้ว่าจิตแยกออกมาไม่ใช่จะเอาอันใดอันหนึ่งนะรู้อย่างที่เขาเป็นด้วยจิตที่ตั้งมั่นและเป็นกลางแล้วก็ยังหาวิหารทำที่เหมาะสมสําหรับตัวเองไม่ได้ก็ดูไปสิดูกายไปนั่นก็ดีแล้วนะก็เห็นจิตเข้าไปอยู่กับกายจิตถอดออกจากกายจิตเข้าไปอีกจิตถอยออกมาอีก ก็ดูกลายเป็นวิหารธรรมไปนะของคุณนะมันรู้ได้ทั้งกายรู้ได้ทั้งจิตอยู่แล้วนะทุกวันเนี้ยดูจิตได้อยู่แล้วตามนมัสการค่ะหลวงพ่อโยมนั่งปฏิบัติมาก็ตามดูตามรู้มาตลอดนะคะแต่มาช่วงนี้ไม่ทราบว่าเป็นเท่าะอะไรนั่งแล้วไม่ปวดไม่เมื่อยแล้วก็จิตจะว่างเปล่านะคะเหรอปวดเมื่อยด้วยแล้วจิตว่างเปล่าไม่ปวดเลยค่ะอ๋อไม่ปวดไม่เมื่อยตามดูตามรู้ค่ะอ๋อจิตไปติดนิ่งติดว่างติดเฉย ให้ออกมารู้กายให้มากๆไว้ดูร่างกายแต่พยาาแล้วแต่ก็ปฏิบัติไม่ได้ค่ะอะไรนะพยายามแล้วก็ยังทําไม่ได้ค่ะอย่าไปนั่งมันอย่านั่งเลยเอออย่าไปนั่งนะออกมาหางานทํากวาดบ้านดูบ้านปกติหนูทํางานบ้านก็จะตามดูตามดูจับวางอะไรก็จะแล้วเวลาเวลารู้เนี่ยอย่าให้จิตแนบลงไปรู้ให้จิตอยู่ห่างๆเห็นร่างกายเคลื่อนไหวจิตอยู่ห่างๆเหมือนคนดูคนอื่นนะฝึกอย่างนี้เรื่อยๆ ก็เมื่อก่อนโยมจับทํางานอะไรนะจับอะไรก็จะกําหนดทุกอย่างนั่นแหละจิตมันไหลลงไปอยู่กับโน้นเลยจิตมันถล่มตอนนี้ไม่กําหนดเลยไม่ไม่รับเลยให้ออกมาอยู่ห่างๆนะอย่างนี้จะต้องแก้อย่างไรบ้างไปหางานทําเยอะๆตีก็ทําอยู่จริงๆนะคุณน่าจะดูจิตง่ายเพราะคุณเป็นคนขี้โมโหนะโดยพื้นฐานนะเียงแต่ว่าเราไปทําสมาธิข่มมันจนมันนิ่งๆไปถ้าเมื่อไร่ไม่ข่มเนียจะขี้โมโหร้ายกาลเลย พราทีโมโหขึ้นมาแล้วก็เห็นใจที่โมโหขึ้นมาเกิดแล้วก็ดับไปเกิดแล้วก็ดับไปฝึกอย่างนี้ง่ายๆอย่าไปกดให้มันนิ่งนะมันไปติดนิ่งติดเฉยไม่ดีหรอกมันไม่เดินปัญญาจริงแล้วอาจารย์อาการปวดเหล่านี้ก็หายหมดเลยค่ะจิตทรงปีติจิตมีสมาธิอยู่ก็ไม่ปวดพโยมนั่งสองชั่วโมงสามชั่วโมงก็ไม่ปวดอืมไม่เป็นไรบางคนหลวงพ่อเห็นนั่งนั่งตั้งหลายวันหลายเดือนไม่เป็นไรไม่ปวดเลยเขา เป็นอัมพาตเ้าหมดความรู้สึกเส้นประสาทเสีย ห, หมดความรู้สึกไปครึ่งตัวนั่งเท่าไหร่ก็ไม่เมื่อยหรอกนะไม่มีประโยชน์อะไระไเราไม่ได้ฝึกเพื่อจะให้มาร่างกายนี้ไม่เจ็บไม่ปวดแต่เราต้องฝึกให้เห็นความจริงว่ากายนี้แหละเป็นตัวทุกข์กายนี้มันเจ็บมันปวดมันไม่สวยไม่งามมันมีแต่ความทุกข์นนเราไม่ได้มุ่งไปภาวนาเพื่อให้มีร่างกายมีแต่ความสุขนะ เลิกซะทำงานให้มากๆอย่างเมื่อกี้ใจอยากพูดรู้สึกไหมนั่นแหละหัดดูตรงนี้ไปแล้วก็กระดุกกระดิกไว้ทำงานไว้อา้าวต่อไปนวัสการหลวงพ่อจะค่ะโยมขอโอกาสนะคะช่วงนี้การเคลื่อนไหวก็รู้สึกตัวแล้วก็บางครั้งก็เผลอนาน ส่วนใหญ่จะเผลอไปคิดมากกว่าออืก็จิตก็จะตามทานพอสมควรแต่ว่าตอนช่วงนอนหลับจะพลิกซ้ายพลิกขวาเนี่ยจะลดเ ก, กือบทั้งคืนจิตขณะนี้เป็นยังไงจิตขณะ น, นี้บางทีก็ติดนิ่งอะคะอ่ะติดนิ่งอยู่นะตรงนี้ต้องเลิกอย่าให้มันนิ่งนิ่งอย่างนี้ใช้ไม่ได้อะเนี่ยยังแก้ไม่ได้เพราะหลวงพ่อเคยเลิ ก, กปฏิบัติสิมันนิ่งเพราะว่าเราจงใจปฏิบัตินะเราไปประคองใจให้นิ่งไปบังคับกายไว้บังคับใจให้นิ่ง ลืมคำว่าปฏิบัติไปนะหาอะไรทำก็ได้นะหันหน้าไปเจอลูกชายแล้วโมโหมันหมันไส้มันรู้ว่าหมันไส้มันเห็นั้ยเกิดความรู้สึกอะไรแล้วคอยรู้เอานะอย่าไปประคองประคับประคองให้สงบให้นิ่งตอนนี้ติดนิ่งนะพอดีไปตรวจเ r ็มอามาบอกว่าจะต้องไปผ่าตัดหลังก็เกิดความกังวลขึ้นมาว่าจะไม่ได้มาฟังหลวงพ่อระยะ ห, หนึ่งวันนี้เลยขออกาศ ข อ, อการบ้านหลวงพ่อห่อนะไปดูนะกายมันเจ็บมันไม่ใช่ตัวเราเจ็บะจิตมันกังวล น, นะไม่ใช่เรากังวลไปดูได้เลยแยกกายแยกจิตออกไปยังไม่ค่อยชัดเลยะหลวงพ่อเดี๋ยวว่าเจ็บมากๆมันชัดไปเองอเวล า, าพวกเรานะบางคนน่ะหัดเจริญสตินะตอนฝึกอยู่ก็ไม่ค่อยเอาไหนเท่าไหร่หรอกฝึกๆไปพอเกิดอุบัติเหตุนะรถคว่ำรถหมุนเนี่ยนะสติอัตโนมัติเลยแต่ละคนนะรู้ตัวตลอดเลย ไม่รู้เกิดธรรมเนียมอะไรชอบไปขับรถคว่ำลูกศิษย์หลวงพ่อนี้นิสัยไม่ดีชอบขับรถเร็วอะ่ะนะน ส, กกสติมันเกิดเองว่าไงช่วงสองสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยคือมีเรื่องที่วุ่นวายกังวลมากที่ทำให้เรากังวลเพราะว่าโดยตัวเองและจริงๆแล้วจะจะไม่มีปัญหาอะไรนี้มากมายแต่คราวนี้อยากจะปฏิบัติในแนวของหลวงพ่อแต่ว่าตัวเอง แข่งมากเลยในสองสัปดาห์นี้พอามาทําเดินวิปัสสนาอย่างของพ่อบางทีก็โหดหูคือสับสนจนกลายเป็นว่าปวดเองไม่รู้ว่าจะมีวิหารทําใดตอนน่อไปอย่าไปคิดว่าวิปัสสนาคือการต้องทําอะไรแปลกๆเจ้าค่ะวิปัสสนาก็คือการเห็นกายเห็นใจเนี่ยเขาเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆ <c oughs> เราเป็นแค่คนดูเขาเท่านั้นเอง เพ้นเขาหดหูเขาดูไปความหดหูผ่านเข้ามาแล้วเห็นไหมเดี๋ยวก็หดหูมากเดี๋ยวก็หดหูน้อยเห็นไหมเดี๋ยวก็ความหดหูก็หายไปทุกอย่างเกิดแล้วก็ดับอย่างนี้เราไม่ได้ภาวนาด้วยความเกลียดชังความหดหูของคุณตอนเนี้ใจไม่เป็นกลางต่อความหดหูให้รู้ทันว่าจิตไม่เป็นกลางนะขอขอปัญหาของเราตอนนี้คือจิตไม่เป็นกลางนะความทุกข์ทั้งหลายที่มาสู่ตัวเราแต่ละคนแต่ละคนนี้ยุยติธรรมแล้ว นะความสุขที่มาสู่ตัวเราก็ยุติธรรมเหมือนกันจะเราจะเจอความสุขหรือเราจะเจอความทุกข์ก็แล้วแต่วิบากของกรรมที่จะส่งผลมาให้นี่พอเราเจอวิบากคือความทุกข์ส่งผลมานะมีความทุกข์เกิดขึ้นอกุศลส่งผลมาใจเราไม่เป็นกลางเท่ากับเราสร้างอากุศลครั้งที่สองแล้วนะ <c oughs> แต่ถ้าเราใจเราเป็นกลางเราเห็นเลยความทุกข์ผ่านมาความทุกข์ผ่านไปนะใจเราเป็นกลางเนี่เราสร้างกุศลที่ยิ่งใหญ่ขึ้นมา เ mm hmm. มื่อเราต้องพัฒนากุศลตรงนี้ให้เกิดขึ้นไม่ใช่ไปเกลียดความทุกข์ที่กำลังปรากฏความทุกข์ที่กำลังปรากฏเป็นวิบากเป็นผลของกรรมในอดีตซึ่งแก้ไขไม่ได้เะั mm hmm. ้นเมื่อความทุกข์เกิดขึ้นในปัจจุบันนะมีสติรู้ทันจิตใจของเราลงปัจจุบันไปจิตไม่ชอบจิตมีโทสะแทรกเข้ามาแล้วให้รู้ว่ามีโทสะฝึก อ, อย่างนี้นะ <Okay. S 2> แล้วก็อย่าทาใจแบบตอนนี้ใจตอนนี้นิ่งเกินไป okay. ดูเรียบร้อยเกินจริงรู้สึกไหมตัวจริงร้ายกว่านี้เยอะร้ายมากเลยค่ะนั่นก็เรียนด้วยว่าตัวตัวเองเนี่ยกำลังที่จะพูดต่อไปว่าตัวเองเป็นคนที่โทสะจริตแรงมากจริงพอเพิ่งพูดไม่สักครู่นี้มานี่ว่ารับประกันไม่เท่าเราแน่นอนคันนี้แต่แต่คราวนี้ตัวเองก็คิดว่า ในชาตินี้จะเข้ า, ขากระแสนิพพานจริงๆแต่คราวนี้พังทีวิบากเข้ามาค่อนข้างลุมตรงนี้จะมีโอกาสคนอื่นเขาวิบากกว่าคุณอีกอใช่ไหมคนอื่นเขาก็วิบากมากมายทําไมเขาผ่านไปได้อลองไปดูในประวัติพระสาวกแต่และองค์แต่และองค์ทำไมเขาผ่านได้กระทั่งพระพุทธเจ้าเองใช่ไหมออกมาภาวนาสลบแล้วสลบอีกมากกว่าเราของคุณเคยทุกจนสลบมั้ยยังยังยเรื่องของคุณอื่นทั้งนั้นเลยค่ะไม่เคยโดด<อ>แต่คราวนี้เนื่องจากว่า อยู่เป็นหัวหน้าหรือเป็นอะไรมันก็ค่อนข้างกี่จะาสูงโหมมากเกิดไปมีหน้าที่ทำงานก็ทำไปต่อไปนากาัตการครับหลวงพ่อสภาวะปัจจุบันนี้สภาวะมันยิบยับยิบยับทั้งทั้งวันทั้งคืนเออเวลารู้ยิบยับดีแล้วนะใจอย่าถลําลงไปดูสบายสบายไปถึงเวลาไหว้พระสวดมนต์ทำสมาธิเดินจงกรมไปนะรู้ความยิบยับด้วยใจเป็นกลาง อย่าถลําลงไปแค่นั้นแหล ะ, ะสบายมากเลยภาวนายิบยับวิบยับนะหลวงพ่อเคยเป็นภาวนายิบยับวิบยับเห็น <c oughs> <c oughs> เห็นหมุนนะหมุนอยู่ข้างในวัตตะหมุนติวติวตติอยู่ข้างในหมุนจีจีจีขึ้นมาถ้าใจเราเข้าไปยุ่งกับมนันก็หมุนใหญ่เลยถ้าเราไม่เข้าไปเกี่ยวข้องก็ ข, า, กขาดออกไปเลยครับการนมัสกราร ค, ครับอยากให้หลวงพ่อช่วยแนะนาการปฏิบัติตอนนี้หน่อยนะครับตอนนี้เหรอ ตอนนี้เกาะเอาไว้รู้สึกปะ่ะสังเกตไหมจิตไม่ใสร้อยเซจิตมัวมีโมหแนะแทรกรู้ว่ามีโมหะบังคับจิตให้นิ่งดว อ, อกไหมกดอยู่ข่มอยู่ขนาด น, นี้จิตแน่นๆหนักๆเห็นไหมเราไปแทรกแสงมันการภาวนาเนี่ยไม่มีอะไรมากหรอกสภาวะใดๆกำลังปรากฏในปัจจุบันเราก็แค่มีสติรู้ทันนะรู้ว่าอย่างเป็นกลางไปเรื่อยๆตอนนี้จิตไหลไปคิด ก็รู้ว่าจิตไหลไปคิดเห็นไหมมันทำงานได้เองมองออกบ้างยังว่าจิตมันทำงานได้เองมันสุขเองมันทุกข์เองมันโลภมันโกรธมันหลงได้เองนี่เฝ้ารู้ไปนะวันหนึ่งปัญญามันแจ้งจิตมันไม่ใช่เราหรอกมันทำงานของมันได้เองคือตอนนี้ที่ทำอยู่ก็คือแค่แบบตอนนี้เพ่งมากไปขณะนี้นะถ้าถามขณะนี้แต่ตอนที่ยังไม่เจอหลวงพ่อเนี่ยก็พอดีพอดีไม่ไม่แรงอย่างนี้ครับคุณครับ กับนมัสการหลวงพ่อเจ้าค่ะช่วยกรุณานําแนะนําสภาวะให้โยมด้วยเจ้าค่ะอะไรนะแนะนําเ อ, อการปฏิบัติสังเกตไหมใจเรา <ใจ S 1> ขณะ น, นี้หนีไปคิดใช่เจ้าค่ะเ อ, อหนีไปคิดก็รู้ว่าหนีไปคิดไม่ห้ามนะเจ้าค่ะจิตเป็นยังไงรู้ว่าเป็นอย่างนั้นไปเรื่อยการปฏิบัติไม่ได้มีอะไรยากเลยความรู้สึกทั้งหลายในจิตใจของเราเนี่ยแต่ละคนแต่ละคนรู้จักอยู่ทั้งนั้นแหละ นะความโลภเราก็รู้จักความโกรธความหลงความฟุ้งซ่านความหดหู่ดีใจเสียใจสุขทุกเรารู้จักอยู่ทางนั้นแหละหน้าที่ของเราก็แค่ว่าตอนเนี้อะไรเกิดขึ้นมาก็แค่นั้นเองจ้นะะฝึกไปนะอย่างเมื่อกี้ความอยากพูดเกิดขึ้นรู้สึกไหมมันไหลแว บ, บขึ้นมานะาแล้วก็ปิติ ด, ด้วยจุ๊ค่ะนั่นแหละมีปิติก็รู้ไปเห็นไหมปิติเขาไม่ใช่เรานะมันเกิดเอง เห็นหทุกอย่างนะมีแต่เกิดขึ้นมาแล้วก็ตั้งอยู่แล้วก็หายไปไม่ใช่ตัวเราทั้งสิ้นเลยเป็นของที่จิตไปรู้ไปดูเข้าทั้งสิ้นเลยกราบนับสกสการพระอาจารย์หลวงพ่อครับอาจารย์หลว ง, งพ่อหรือว่าต้องหลวงปู่ดูลน่ะ <laughs> ผมผมถามหลวงพ่อแล้วนะครับประมัตทปารมีสัมปันโนนี่หมายถึงอะไรครับโอ้ต้องไปหานักปริญญาตรแล้ว หลวงพ่อก็ไม่รู้เหมือนกันข้อที่สองนะครับความอัศจรรย์ของธรรมะคืออะไรเป็นอย่างไรในเมื่อธรรมะมันคือธรรมดาและธรรมชาตินั่นเองมันมหัศจรรย์ได้อย่างไรมันอัศจรรย์ ส, สิ<ๆ>เพราะเราไม่เคยรู้จักธรรมดาเลยเรารู้จักแต่ของปรุงแต่งของปรุงแต่งก็เต็มไปด้วยปักทุบธรรมะนั้นมันพ้นจากความทุกข์นั่นน่าอัศจรรย์ที่สุดเลยอัศจรรย์ถึงขนาดที่ว่าทําไมแค่มีสติรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงเนี่ย เราสามารถข้ามภข้ามชาติข้ามสงสารได้การสร้างสตินะมีสติรู้กายรู้ใจเรื่อยๆมันก็สร้างบารมีไปเร่อทั้ง1ิบประการนั่นแหละเบื mm ้อ hmm. งต้นก็เป็นบารมีอ่อนๆนะนเบื้องปลายมันก็เป็นปรมัทบารมีอย่างที่คุณว่านั่นแหละพยายามจเจริญสติบ่อยๆนะครับขออนุญาตถามอีกข้อหนึ่งนะครับในหัวข้อที่ว่าพอชนะก็แพ้แพ้เสแล้วถามว่าคนที่ชนะ พ่แพ้ได้หรือไม่กับคนที่กําลังพ่แพ้จะชนะได้หรือไม่นะครับจากตัวอย่างคนที่ทํางานมาตลอดชีวิตสุดท้ายก็พ่ายแพ้ให้กับโรคและภัยครับมันแพ้เพราะมันมีคนนะเราภาวนาจนเราเห็นความจริงว่ามันไม่มีคนหรอกมันไม่มีคนที่จะมีความสุขไม่มีคนที่มีความทุกข์ไม่มีคนที่ชนะไม่มีคนแพ้กระทั่งความทุกข์เนี่ยมีความทุกข์อยู่แต่ไม่มีผู้เป็นทุกข์ ว่าเราภาวนาไม่ชำนิชํานาญพอเวลาความทุกข์เกิดขึ้นเราก็คิดว่าตัวเราทุกข์แต่ถ้าเราภาวนาชํานาญพอเราจะเห็นว่ากายมันทุกข์ใจมันทุกข์นะไม่ใช่เราทุกข์นะมันไม่มีเราทุกข์พยายามฝึกนะหลวงพ่อขอแนะนํานะให้กันบ้านคุณอดทนนิดนึงไปฟังซีดีหลวงพ่อบ่อยๆนะครับผมกราบนมัส ก, การนมัต ก, การครับเออผมภาวนารู้สึกว่าลงนะลงนานมาก แล้วก็นิ่งๆเย็บแบบนิ่งๆแบบในใจครับแม้ว่าไม่ทราบว่าจะพยายาม<ะ>ทํากรรมฐานที่เคลื่อนไหวไว้นะเคลื่อนไหวดีกว่ากรรมฐานหยุดนิ่งเ<ะ>ช่นเราเดินจงกรมเนี้ยครับเดินไปแล้วเราคอยสังเกตจิตถ<ะ>้าเดินไปแล้วใจลอยรู้ว่าใจลอยเดินไปอีกใจลอยอีกรู้ว่าใจลอยอีก<ะ>การที่เราหักรู้ความใจลอยบ่อยๆเนี่ย<ะ>ต่อไปเวลาใจมันลอยไปมันหลงมันคือใจลอยไปนั่นเอง พอมันใจลอยแป๊บนะสติจะเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วนะสติจะเกิดได้เร็วถ้าเราซ้อมให้สติเกิดวิธีซ้อมก็คือทํากรรมฐานขึ้นสักอันหนึ่งเช่นเราไปเดินจงกรมเดินจงกรมไม่ใช่เดินบังคับจิตแต่เดินมีสติรู้สึกกายเดินมีสติรู้สึกใจเรื่อยๆนะร่างกายเคลื่อนไหวรู้สึกจิตใจเคลื่อนไหวรู้สึกนี้พอเราหัดรู้สึกเช่นเดินๆไปจิตไปเพ่งอยู่ที่เท้ารู้ว่าจิตไปเพ่งแล้วเดินๆไปจิตหนีไปคิดรู้ว่าจิตหนีไปคิด ต่อไปถึงเราไม่ได้เดินจงกรมนะจิตแอบเปเคลื่อนไหวนิดเดียวเราก็าจะเห็นเราจะไม่หลงนานหรอกต้องซ้อมไว้นะแล้วที่โยมทำเนี่ยโยมฝึกกรรมฐานในลักษณะที่น้อมใจให้นิ่งมากไปนะมันเป็นน้อมให้นิ่งจะกลายเป็นสมถะจะนิ่งอย่างเดียวพยายามเคลื่อนไหวให้มากๆขอบคุณครับกราบนรมาสการ์พ่อครับนี่เป็นการถามครั้งแรกนะฮะก็ได้ฝึกเาประมาณ2เดือนนะครับ โดยการดูจิตโดยการเดินจงกรมทําอย่างนี้ดูกไหมครับหลวงพ่อครับมาเดินให้ดูหน่อยไหมเดินจงกรมนะมันก็ต้องเดินให้เป็นเดินจงกรมเนี่ยคือเดินรู้สึกตัวเดินรู้กายเดินรู้ใจเดินจงกรมไม่ใช่เป็นแค่เดินในท่าทางที่เรียบร้อยเดินกลับไปกลับมาแท้จริงคือการเดินมีสตินั่นเวลาเราเดินเนี่ยเราคอยรู้สึกตัวไปเห็นร่างกายมันเดิน นะบางทีใจแอบไปคิดก็รู้ทันใจที่หนีไปคิดรู้กายรู้ใจไปนะพอเดินไปสุดทางจงกรมแล้วเนี่ยยืนอยู่นิ่งๆกันอย่าเพิ่งหันกลับมาบถ้าเดินไปสุดทางจงกรมแล้วหมุนตัวปั๊บเนี่ยจิตกระเด็นตกทางจงกรมทุกรายเลยเพราะฉั้นเราอยู่นิ่งๆกันพอรู้ตัวสบายๆก็ขมหมุนตัวกลับมาพอหมุนตัวกลับมายังไม่ต้องรีบเดินถ้ารีบเดินนะจิตมันจะเดินก่อนกายจิตมันจะก้าวไปก่อนแล้วก้าวสองก้าว <sk r ere> เราหันตัวกลับมาเรารู้สึกตัวสบายๆก่อนแล้วก็ค่อยเดินกายกับกกจิตเดินไปด้วยกัน น, ะ เ, นเดินรู้สึกตัวไปเรื่อยๆนะรู้กายไปรู้ใจไปฝึกอย่างนี้บ่อยๆอยงนี้ดูจิตได้ใช่ไหมครับได้ดูได้แล้วคุณพยายามไปเดินจุกลมนะแรงรรมันจะได้เยอะกว่านี้อีกตอนนี้แรงมันอ่อนไปนิดนึงตอนนี้ที่เดินคือเดินไปแล้วก็เผลอรู้ครับเออเผลอรู้ไปงั้นใช่ได้ตอนนี้ทำถูกแล้วใช่ไหมครับทำถูกแล้วแต่อดทนนะเดินเรื่อยๆ จนจะทั้งจิตมันจำสภาวะที่เผลอได้แม่นยำต่อไปพอเผลอแวบเดียวนะสติเกิดเลยครับอคครับกาบนรัสการหลวงพ่อเจ้าค่ะเพิ่งมาเป็นครั้งแรกนะคะขอความเมตตาจากหลวงพ่อช่วยแนะนำในการปฏิบัติว่าควรจะปฏิบัติอย่างไรจึงจะเหมาะกับตัวเองเจ้าค่ะเราก็ทำความสงบขึ้นมาแนละ้วเราก็ดูร่างกายนะเคลื่อนไหวเคลื่อนไหวนะแล้วคอยรู้สึก เคลนไหวแล้วค่อยรู้สึกไปทุกวันนี้เวลาเวลาเดินจงกรมหรือนั่งสมาธิเนี่ยมักแบบเหมือนกับเราจะหลับเดินแบบหลับๆไม่เป็นไรเดินไปดีกว่านั่งค <Okay. S 1> เดินไปหน้ะเราถึงเวลาก็ไปทํางานทํางานไปก็รู้กายรู้ใจไปะถึงเวลาก็มาเดินจงกรม <Okay. S 1> นะไม่ต้องกลัวหรอกไอ้ที่จะหลับเมื่อเช้าหลวงพ่อก็เล่าแล้วหลวงพ่ อ, อยังหลับเลย <Yeah. S 1> นะค่ะ คขอบคุณก็กคะ่ะทำธรรมสกรารค่ะหลวงพอ่อหนูก็ดูจิตมาสัปดะห์นึ่งไม่ทราบว่าที่หนูรู้เนี่ยถูกหรือเปล่าหนูเห็นว่าจิตไปทํางานได้เองไปคิดเองก็ถูกสิหลังจากคิดแล้วเนี่ยก็จะเกิดกิเลสคิดไปคิดไปนะเกิดกิเลสก็ได้คิดไปแล้วเกิดกุศลก็ได้ะนะนะทั้งกิเลสทั้งกุศลเนี่ยเป็นสังขารธรรมเป็นสิ่งที่ปรุงแต่ง นะเกิดดับไปเหมือนๆกันอย่างที่หนูรู้นี่คือถูกถูกใช่ไหมคะตอนนี้ไม่ถูกนะขณะนี้เพ่งอยู่ดูออกไหมกดไว้ยังกดเอาไว้อย่าไปกดนะอ่ะแต่ที่ฝึกอยู่ใช้ได้แต่ว่าใจไม่ค่อยตั้งมั่นนะอะใจมันฟุ้งซ่านไปหน่อยตอนที่ฝึกอยู่ข้างนอกนอกขอการบ้านด้วยคะ่ะก็ไปเดินนั่นแหละเดินจงกรงเหรอเออเดินไปแล้วก็รู้กายรู้ใจไปหนูรู้สึกว่าเวลาหนูเดินแล้วรู้สึกมันเข้าไปติดเพ่งอะะ่ะ แล้วเดินยังเพ่งอีกเหรอนั่งมีเพ่งหนักกว่านี้อีกแล้วนั่งแล้วเพ่งไหมนั่งก็เวลานั่งสมาธิก็พอจิตไปคิดก็รู้แล้วก็กลับมาอ้เงี้ยที่นั่งเอานะแต่ละคนไม่เหมือนกันขอบขอบกล่าวขอบพระคุณค่ะนมัสการหลวงพ่อครับคือผมส่งกันบ้านครั้งแรกนะครับคือเคยเริ่มฟังซีดีหลวงพ่อมาประมาณเจ็ดแเดือนแล้วก็หัดรู้สึกตัว ที่ผ่านมาเนี่ยก็คือรู้สึสกตัวทันบ้างลงบ้างแต่จะเน้นไปทางลงครับอืแล้วก็แต่แต่ถ้าภาพรวมเนี่ยคือรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยรู้สึกทันจิตตัวเองมากขึ้นครับทำให้จากที่เมื่อก่อนเคยกดง่ายก็กดยากขึ้นอยากมากก็รู้จักประมาณตัวมากขึ้นอะไรเงี้ยครับก็ดีแล้วล่ะครับแล้วก็เลยอยากจะถามหลวงพ่อว่าสภาวะที่ที่ฝึกที่ผ่านมานี้เป็นยังไงบ้างครับก็ดีนะใช้ได้ ไปดูอย่างนี้เลยดูไปเรื่อยๆแล้ว อ, อย่างผมนี้เหมาะที่จะดูดจิตเราเป็นค น, <ใ>นช่างคิด ไ, ได้ครับหลวงพ่อแล้วก็โอเคครับขอบคุณมากครับหลวงพ่อกราบนมัสการหลวงพ่อค่ะนี่เป็นครั้งแรกที่มาพบหลวงพ่อนะคะเจะขอคําแนะนําในการปฏิบัตินะคะดูใจเราสินะของคุณใจมันช่างคิดรู้สึกไหม คิดทั้งวันเลยนะคิดไปเรื่อยๆช่างคิดช่างแค้นอะไรเงี้ยมันคิดไปเราก็คอยรู้เอาใจแอบไปคิดแล้วคอยรู้ใจแอบไปคิดแล้วคอยรู้อย่างตอนนี้ไปคิดแล้วรู้สึกไหมเนี่ยของคุณดูได้ใจหนีไปคิดแล้วรู้ใจหนีไปคิดแล้วรู้ฝึกบ่อยๆนี่พอมันคิดไปถ้าเราไม่รู้ทันตอนที่มันคิดทีแรกเดี๋ยวมันก็เกิดโลภเกิดโกรธเกิดอะไรขึ้นมาเกิดสุขเกิดทุกข์ขึ้นมาถ้ามันโลภมันโกรธมันสุขมันทุกข์ขึ้นมาเราก็รู้ทันไปนะ รู้ได้ตอนไหนก็ได้คะแนนตอนนั้นแหละอย่างตอนนี้ใจไปคิดก่อนใช่ไหมแล้วก็อยากพูดแว บ, บหนึ่งนึกออกไหมแ ล, แล้วความอยากมันก็ดับไปเราเห็นสภาวะทั้งหลายเกิดแล้วก็ดับไปเห็นอยู่อย่างนี้เองขอบพระคุณค่ะแล้วหลวงพ่อจะจะแนะนำเลยคือควรจะนั่งปฏิบัติคือจะจะชอบนั่งสมาธิการกาทำในรูปแบบมีประโยชน์น ะ, ะพวกเราไม่ใช่จะเจริญสติในชีวิตประจาวันรวดไปเลยไม่พอหรอก เพราะั้นเราจะต้องมีวินัยในตัวเองอย่างน้อยแต่ละวันนะแบ่งเวลาเอาไว้ไม่ต้องมากก็ได้นะเบื้องต้นเอา10นาที15นาทีอนะไรเนี้ยไปไหว้พระไปสวดมนต์ไปนั่งสมาธิไปเดินจงกรมแล้วก็คอยรู้ทันกายรู้ทันใจของตัวเองฝึกซ้อมอย่างนี้ทุกวันทุกวันด้วยความมีวินัยใจเราจะมีเรี่ยวมีแรงมากขึ้นมากขึ้นบางคนไม่ยอมจเจริญสติในรูปแบบจะเอาในชีวิตประจวันอย่างเดียวแรงไม่ค่อยพอหรอก รูปแบบที่หลวงพ่อกล่าวเนี่ยคือหมายถึงต้องนั่งให้เป็นเป็นท่ามาตรฐานไม่ <นะ S 2> จําเป็นนะ <ไว S 2> นั่งเก้าอีา้ก็ได้สมมติว่าหัวเข่าเราไม่ดี เ, เรานั่งเก้าอี้ก็ได้ถึงเวลาเราก็นั่งเก้าอี้พุทโธไปเรื่อยๆนะพุทโธพุทโธไปพใจเราแอบไปคิดรู้ว่าใจหนี่ไปคิดละพุทโธพุทโธไปใจเรามีความสุขรู้ว่ามีความสุขพุทโธพุทโธวันนี้ฟุงฟ้งซ่าน<อ>รู้ว่าฟุ้งซ่านพุทโธเรารู้ทันใจไปเรื่อยๆี่ยแบ่งเวลาไว้ซ้อมแบบนี้ทุกวันทุกวันนะขอบพระคุณค่ะหลวงพ่อ ของคุณต้องทํากรรมฐานที่สบายๆนิดนึงนะเพราะพื้นเดิมมันขี้โมโ ห, โหคนขี้โมโหเนี่ยทำกรรมฐานที่ลําบากมากๆมัจะโมโหแตนะ่จลิตนิสัยไม่เหมือนกันอย่างบางคนเนี่ยเป็นคนซึ่งใจเย็นสบายรักสุขรักสบายรักสวยรักงามจิตใจนะั้หน่ำแนมตลอดอะไรเงี้ยพวกนี้ต้องไปทํากรรมฐานยากๆหน่อยนะต้องไปทรมานหน่อยนะดล้โอ้วันนี้หลวงพ่อชนะ ภาวนานะภาวนาการภาวนาไม่ยากอะไรการภาวนาคือการเรียนรู้ตัวเองมีสติรู้กายมีสติรู้ใจไปนะไม่ยากหรอกอย่าไปหลงอยู่ในความดิ่งความว่างนะถ้าใจเราไม่ตั้งมั่นใจเราไหลออกไปข้างนอกให้รู้ทันหลวงูดูลเรียกส่งกีดออกนอกทำไมต้องพนมมือล่ะแสดงว่าจะไล่กันแล้ว รู้ทันนะถ้จาจิตมันออกนอกขิดมนันหนีไปนี่จิตเข้าไปเท้างในรู้ทันนะใจเราก็จะตื่นเป็นกลางรู้กายรู้ใจด้วยจิตที่ตั้งมั่นแนละเป็นกลางไปเรื่อยๆนะวันหนึ่งเราก็แจ้งขึ้นมาทั้งกายทั้งใจไม่ใช่เราหรอกนะเป็นแต่สภาวะที่เกิดแล้วก็ดับไปกายเป็นทุกข์ใจเป็นทุกข์นะไม่มีเราเป็นผู้ทุกข์มีแต่กายทุกข์ใจทุกข์แต่ไม่มีเราเป็นผู้ทุกข์ภาวนาแล้วเห็นทุกข์แจ้งนะเห็นแจ่มแจ้งว่าความทุกข์มีอยู่แต่ไม่มีผู้เป็นทุกข์ นะเห็นแต่ขันมันทุกขนะ์ภาวนาไปอย่างนี้เรื่อยๆนะภาวนามากเข้ามากเข้าวันหนึ่งจิตมันพลากจากขันมันวางขันนะปล่อยขันพระอราหันต์ทั้งหลายไม่ใช่มนุษย์ประหลาดอะไรหรอกนะไม่ใช่ว่าร่างกายของพระอราหันต์ไม่ทุกข์นะไม่ใช่ก็เหมือนพวกเรานี่เองนะแต่จิตของท่านไม่ยึดถือขันมันแยกออกจากขันพลากออกจากขันความทุกข์เนะี่ยมันอยู่ที่ขันอยู่ที่กายอยู่ที่ใจมันเลยเข้ามาถึงจิตถึงใจของท่านไม่ได้นะ พวกเราก็ฝึกไปนะวันนี้ยังทุกข์อยู่ไม่เป็นไรอนาคตต้องให้ดีวันนี้ให้ไดนะ้ต้องเดินใกล้มรรคผลนิพพานเข้าไปทุกวันทุกวันไม่ต้องรีบเดินก็ได้นะถ้ารีบเดินรีบจำ้จำๆ้จำจะตกถนนทุกรายเลยแต่ต้องทําสม่ำเสมอรู้สึกกายรู้สึกใจทําทุกวันสม่ําเสมอความสม่ําเสมอดีกว่าความรีบร้อนนะต้องสม่ําเสมอมีวินัยในตัวเองรักษาศีลไว้ก่อนมีศีลห้าศีลห้าจำเป็นที่สุด ถ้าไม่มีสีจิตจะไม่มีความสงบเลยเพราะฉะนั้นถ้าจิตใจเรามีความสงมีความสงบแล้วนะมีสติคอยรู้ความเปลี่ยนแปลงของกายมีสติรู้ความเปลี่ยนแปลงของใจวันนึงเข้าใจความเป็นจริงของกายของใจตัวความเข้าใจนั่นแหละเรียกว่าวิปัสสนาปัญญาเข้าใจความเป็นจริงของกายของใจว่ามันเป็นไตรลักษณ์ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเมื่อมันเข้าใจความเป็นจริงนะจิตจะคลายความยึดถือ ไม่ยึดในกายไม่ยึดถือในใจพอไม่ยึดถือมันก็หลุดพ้นออกไปขันส่วนขันนะจิตที่พ้นจากความยึดถือขันแล้วก็อยู่ต่างหากไม่เกี่ยวข้องกันนะภาวนาแล้ววันหนึ่งพวกเราจะถึงความสิ้นทุกขนะ์ต้องอดทนนะวันนี้ยังทุกอยู่ไม่เป็นไรฝึกไปเรื่อยวันหนึ่งต้องพ้นทุกข์ให้ได้ถึงจะสมเป็นลูกพระพุทธเจ้าน ะ, ะวันนี้เท่านี้ วันนี้ก็มีญ า, าติโยมนำของมาถวายนะครับผมขออนุญาตเป็นตัวแทนของทุกท่านในที่นี้นะครับกล่าวคำถวายนะครับข้าพเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายเครื่องปัจจัยและทายทานพร้อมกับสิ่งของบริวารทั้งหลายเหล่านี้แต่พระอาจารย์ปราโมทปราโมชโช ขอพระอาจารย์ได้โปรดรั บ, บาาเพื่อประโยชน์เ พ, ชนเพื่อความสุ ข, สขแก่ข้าพระเจ้าแ ล, และครอบครั ว, รรวตราบสิ้นกาลละนานเทิ น, น, น, น, ทนยัถาวาริวหาปุราปริภูรเรนตีสาคารังเอวเมวายโตดินนงเปตานางอุปกะปติอิชิตังปฏิตังดุมหังจิประเมวาสมิชตู สัพเพปูเรนตูสังคปาจันโดปันรโสยถามณีชโชติรโสยถาสัพพีติโยวิวัตชันตูสัพโรคโควินัสตูมาเตภวัตวันตรายโยสุขีทีคายยโกภาวะอาภิวาธนาสีลิสนิจจังอุทธาปจายิโนจัตตารโรธรมาวัันตีอายุวันโนสุขังภะลัง